เราได้พูดถึงในเรื่องของอาหารการเ ม, มังการน่ะและมีความไม่เกียรติค้านในความเข็นใจในในกรุณาก็หมายความว่าพระโพิษัทเนี่ยเวลาท่านบำเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยเหมือนกับเราทํางานทั้งหลายนะครับเหมือนการเรียนหนังสือหรือการทํางานต่างๆหรือประกอบอาชีพทั้งหลายของคารวะโ ด, ดยทั่วๆไปเนี่ยที่จริงมันจะมีอส่วนหนึ่งใช่ไหมคือความเกียรติค้านฉะนั้น้ความเกียรติค้านเนี่ยถ้าคนไม่มีกรุณาจริงๆต่อสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ย มันมันก็ไม่สามารถจะชนะความเกียรติค้านได้แต่กรุณานั่นแหละเป็นตัวยึดโยงและด้วยปัญญาและกรุณาพระมหาดุลก็บรรูปสมบัติตามลําดับก็คือว่าเป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีปัญญาและก็ความเปล้ยวกล้าตรงนี้อย่าลืมนะว่าปัญญาเนี่ยเป็นธรรมังสรนังกฉามีนะครับปัญญาเนี่ยเป็นธรรมังสนนังกฉามีฉะนั้นในกระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเพราะความไม่มีปัญญานี่แหละเราจึงไม่ได้สนนนะ แต่การที่เรามาศร e ัทธาในพระพุทธเจ้าที่มีความเชื <A fasting. S 1> yeah. uh ่อมั่นในพระตถาคตโพธิศรัทธาใช่ไหมเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเออในคำนี้พระธรรมเทศน์ลองสังเกตดูนะว่าอยากให้พระธรรมเทศน์ช่วยกันวิเคราะห์ว่าตถาคตโพธิศรัตธาเนี่ยเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตเนี่ยคำว่าพระตถาคตเนี่ยเป็นบุคคลหรือเป็นสภาวธรรมคําว่าพระตถาคตเนี่ย เป็นบุคคลหรือเป็นสภาว่ธรรมทีนี้ถามว่าที่เราเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระธรรคตเนี่ยทําไมจึงเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระธรรคตเออไปเชื่อมั่นทําไมครัท่านอาจารย์มองออกไหมมันจะมีคําศัพท์หนึ่งใช่ไหมครับธรรคตโพธิศัทธาเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระธรรคตโพธิก็เป็นชื่อของปัญญาอยู่แล้ว เชื่อมั่นปัญญาปัญญาไม่ใช่บุคคลนะเขาว่าปัญญาในที่นี้ปัญญาในที่นี้ท่านขับเน้นตัวสัพพยุตญาณ น, นะครับตัวญาณปัญญาที่ไปแทงตลอดความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งในสังขารสังขาร ท, ทั้งที่มีใจคลองและไม่มีใจคลองนั่นแหละทีะนี้การเชื่อมั่นตรงนี้คือเชื่อมั่นยังไงรู้ไหมเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละ แต่ด้วยความที่มั่นใจในพละกกาลั ง, งตนเองมั่นใจในความมุ่งมั่นของตนเองในการที่จะขวนขวายในการที่จะบําเพ็ญภาทานบา ร, รมีเป็นต้นจนถึงเวขาบา ร, รมีเป็นที่สุดอันนี้แปลว่าพราะองค์ก็ฝึกตนเองมาอย่างยาวไกลแล้วก็เพียรพยายามในการสร้างบา ร, รมีอย่างไม่ท้อถอยแล้วก็สมาทานมั่นคงในบา ร, รมีเหล่านั้นจากพบสู่พบจากภูมิสู่ภูมิศักจากชาติสู่ชาติจากกับสู่กับเนี่ย ก็ไม่เคยหยุดหย่อนในการที่จะบำเพ็ญบารมีนั้นที่สุดจริงๆอะ่ะ <c oughs> ถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรรู้ไหมจะเห็นว่าถ้าเพียรพยายามเนี่ยในการบำเพ็ญบารมีจน <c oughs> จนพระพุทธเจ้าอะ่ะที่ท่านผ่านและจากองค์แล้วองค์เล่าเนี่ย ที่ผ่านแล้วจากองค์แลองค์เล่าเนี่ยจนพระพุทธเจ้ามองดูแล้วว่าโอ้ท่านผู้นี้ยพอมเป็นบารมีจนถึงขีดสุดแล้วท่านยึงพยากรณ์นะเห็นไ้มว่าท่านทําด้วยตัวของท่านเองไม่ใช่ทาแล้วเพื่อต้องการให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์ท่านแต่ท่านทําจนเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามองเห็นว่าท่านผูน้นี้ไม่ไม่ถอยกลับแล้ว พระเจ้าก็ต้องพยากรอันนี้เป็นกฎธรรมดาเนี่ยเเป็นกฎธรรมชาติถ้าใครจนสามารถพัฒนาตนเองเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของธรรมชาติไปแล้วเนี่ยจนไม่ถอยหลังไปแล้วเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยจะว่าแม้แต่มนุษย์ก็ชมพรมเทวดาก็ชมพรมก็สราเสริญเออถ้าถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าคนที่บําเพ็ญเพียรพยายามฝึกตัวเองเนี่ย เ, เนี่ยพยระเจ้าบอกว่า เพราะการที่พระ อ, องค์ฝึกตนเองได้เนี่ยพระ อ, องค์จึงเป็นบุคคลที่ประเสริฐสูงสุดแม้เทวดาก็น้อมนมันนนส ก, การว่างั้นแม้เทวดาก็น้อมนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์เห็นไหมถ้ามองมองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อคําว่าตถาคตโพธิสัตว์เนี่ยเวลาเราสวดนะครับอิติปิโสพระวาแม้เพราะเหตุ น, นั้นพระภูมียาภาคเจ้าพงนั้นอาลหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส คำว่าพระตถาคตกับคำว่าพระอรหันเนี่ยอรหันเนเงนหธธหนเนี่ยต่างกันไหมครับคำว่าพระตถาคตกับคำว่าอรหังนี่ต่างกันไหมโดยอัธาที่ต่างกันไหมพระตถาคตคือใครใช่ไหมพระตถาคตนี่คือใครถ้าเจาะลงไปตัวสภาวธรรมจริงๆก็คือแปลว่าบุคคลที่ฝึกตนเองจนเข้าถึง ใช่ไหมจนเข้าถึงสภาวธรรมที่สูงสุดแล้วจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้ววังนั้นเด้อพระตถ า, าคตเจ้าเนี่ยอะระหังก็คือผู้ไกลาจากกิเลสก็คือสภาวะอีกเหมือนกันแหละไกลาจากราคะไกลจากโทสะไกลจากโมหะไกลาจากมานะไกลาจากทิฏฐิไกลาจากวิจิกิจฉาไกลาจากอหิริกาโนตป่และอุทะจ่าใช่ไหมก็คืออะระหังนั่นแหละไกลาจากสภากิเลสพร้อมทั้งไกลาจากกวาสนาด้วยคือสภาวธรรมใช่ไหมเห็นไหมก็แปลว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นอะไรเนี่ย เวลาเราสวดนะอิติปิโสพระกวาอัลังสมมาสัมพุโทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุกโตรโรอวิทูเนี่ยสวดไปบางทีมันมันหาแกนกลางหาจุดจับไม่ได้นะเคยสังเกตไหแล้วเอาทั้งๆ้งที่เราเรียนบาลีกันมานี่แหละเอ๊ะสวดไปสวดมามันรู้สึกมันหาแกนหาจุดจับไม่ได้เคยเป็นไหมครับเคยก็สวดไปอย่างนั้นแหละแต่ก็หาใจหาแกนหาจุดจับไม่ได้แต่ถ้าหากมองว่าอ๋อ คำว่าตถาคตโพธิสัตยานี่ก็คือเชื่อมั่นถ oh, hey, ้าถามบอกว่าเราเชื่อมั่นไหมว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเชื่อมั่นไหมครับเชื่อมั่นพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไหมว่าเป็นเป็นธรรมะเออเป็นอริยสัจสี่เนี่ยเป็นธรรมที่สามารถนําผู้ปฏิบัติให้พ้นจากวัฏทุกได้จริงใช่ไหมเราเชื่อมั่นไหมพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันจริงพอเพื่อตามพระธรรมนั้นแล้วเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันจริง ถ้าเราไม่เชื่อมั่นก็ไม่รู้จะก็ไม่รู้จะอยู่ในเพศภาวะนี้ไปทําไมใช่ไหมครับเออจริงๆมันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เชื่อมั่นในกรณีอย่างเนี้ยบางทีเราสวดสวดไปเราก็รู้สึกจะเลื่อนเลื่อนลอยเหมือนกันอันนี้ถูกต้องแล้วเชื่อแบบนี้แต่ประเด็นอยู่ตรงว่าอ๋อทุกประโยคทุกถ้อยคำที่เราพูดถึงพระตถาคตเนี่ยเห็นไหมว่าเพราะเชื่อมั่นพระเจ้านี่แหละเชื่อมั่นหนึ่งเนี่ยเลยกลายเป็นกระทบเป็นสามเขาเรียกว่ารัตนะตยตศรัทธาคือเชื่อมั่น ปัญญาตรัสรุของพุทธของพระตถาคตคืก็เชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีนะครับบำเพ็ญพระบารมีมาเนี่ยอย่างยาวไกลเนี่ยฝึกตนเองมาอย่างยาวไกลในที่สุดในที่สุดจริงๆก็สามารถชนะทุกสิ่งได้ว่างั้นเธอชนะกิเลสมารคือราคะโทสะโมหะชนะมัจจุมานคือความตายชนะอภิสังขารมานคือเจตนากรรมที่นำไปสู่พบน้อยพบใหญ่ แล้วก็ชนะเทวปุตตมานก็หมายความว่ากลุ่มเทวดาทั้งหลายที่เป็นมานมาคอยขัดขวางแล้วก็ชนะขันธ ม, มานก็มานคือเบนจะขันไม่ต้องมารับใช้ขันห้าในการเวียนไหวาตายเกิดอีกแล้วฉะนั้นการบําเพ็ญ ฝ, ฝึกฝนตนเองมาจนสามารถชนะมานทั้ง5้าได้แล้วก็มาเยืนอยู่แถวหน้ามานก็เริหักสามารถตัดศีรษะมานได้เพราะงั้นเถอะมานไม่สามารถที่จะไปกล้ามไกลพระพุาคเจ้าได้แล้วเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้า จ, าจึงมีอีกความหมายหนึ่งเขาเรียกว่า พระผู้ชนะมารพระชีนะพระชินะน่แหละพระผู้ชนะมาน่านาานานแหล ะ, ะ, นน ะ, หละเหมือนเหมือนอุปกาชีวกถามพระเจ้าว่าท่านชื่ออะไรเนี่ยพระเจ้าบอกท่านชื่อชื่ออะไรนะ อ, อันันตชีนะใช่ไหมก็แปลผู้ไม่แพ้นั่นแหละผู้ชนะนัะน่นแหละว่างั้นเถอะทุอันันตชินนั่นแหละนัะน่นแหละ เออถ้ามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจริ ง, รงๆแล้วถ้ามอ ง, องนี้ก็คือมองในฐานะเป็นสภาวะนั่นแหละเออตรงนี้ก็คืออย่างนี้ <c oughs> บอกว่ามีความไม่เกียรตค้านและความเข็นใจด้วยกรุณาด้วยปัญญาและด้วยพระมหาบุรุษนั้นบรรลุสมบัติตามลําดับก็คือความเป็นที่พึ่งของตนเองและคนอื่นความเป็นผู้มีปัญญาและความเกล้ากล้า นี่สำคัญมากนะปัญญาด้ความกล้ากล้าความเป็นผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนและไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่สําคัญมากสังเกตอย่างที่ประเด็นปัญหาแล้พระเจ้าเนี่ยเวลาจะบริจาคใครจะสละใครเนะี่ยถามก่อนแล้วให้ข้อมูลถ้าเขายังไม่ยินยอมก็โอ้ลงปลมปฏีโรมให้เห็นเหตุและผลจนคนคนนั้นยินยอมจริงๆพระเจ้าไม่มีระบบการบังคับถ้าทุกคนที่อยู่กับพระเจ้าตอนที่พระองค์เป็นเศรษฐีเป็นขณบดีทั้งหลายก็เป็นทํานองแบบนี้แหละ ความเป็นผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนความสาเร็จประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นความเป็นผู้ไม่มีภัยก็คือไม่หวาดกลัวถ้าถามว่าทําไมพระโพ ธ, ธิสัตว์จึงไม่กลัวอาจึะไม่กลัวเอจําได้ใช่ไหมเราศึกษาพระชาดกกันมาเนี่ยวิทุลบัณฑิตเนี่ยตอนนั้นพระองค์บําเพ็ญบัญญาตบารมีเนี่ยจําได้ไหมที่ว่าปุนณกยักษ์ปุณณกยักษ์เนี่ยต้องการอยากจะได้ทิดาของ ของใครของพระเจ้าเป็นดินในนากระพิภพทีนี้ก็เลยมีข้อตกลงบอกว่าเขาบอกเขาไม่พอใจแหละพญานาคเนี่ยในในนาคกระพภพเนี่ยไม่พอใจวิทูลบัณฑิตเพราะเป็นคนมีปัญญามากว่างนั้นเธอบอกว่าอยากจะกินหัวใจของวิทูลลบัณฑิตว่าอ่า ง, ง, น, า ง, ง น, น, นั้นว่างนั้นนะดังนั้นการจะแต่งงานกับลูกสาวของพญานาคไม่ยากหรอกถ้าสามารถจับวิทูลบัณฑิตมาได้ฆ่าวิทูลบัณฑิตได้เราก็จะสามารถจะยกนางนางแล้วยกลูกธิดาให้ ปุณกยักษ์ก็โอ و, ้โหหลงรักนางมากก็ไปเลยไปท้าเล่นกาเล่นสากาเล่นอะไรแข่งกับพระราชาตอนนั้นวิทูวิทู ร, รัณฑิตนี่เป็นอะไรเป็นอมารของพระยาบดิ น, นนั้นแหละแข่งไปแข่งมาเนี่ยแพ้แพ้ไปแพ้มาก็แข่งนี่แหละเอาเอาใครเป็นตัวประกันเอาวิทูรัณฑิตนี่แหละเป็นตัวประกันหวางั้นเอาพระราชาแพ้แพ้เบ็ดเสร็จแล้วเออพระราชาคิดจะโกงอ่ะคิดจโกงปุณธกยักษ์นี่แหละที่ยักษ์ปลอมตัวมาเป็นมานพนี่แหละ ว, ว่าไงนะบอกว่าไปเรียกเรียกวิทูลัณฑิตมาพระราชาบอกว่าเออเนี่ยเราแพ้ซะแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราจะฆ่าเลยมามาคนเดียวอ่ะบอกงั้นเธอเอาทหารล้อมจับฆ่าทิ้งเลยวิุรรรูลาบดิตบอกว่าท่านทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกเสียสละบา ร, รมีบอกงั้นเออเสียสจละบา ร, รมีอ่ะบอกว่าเอาจะให้ก็ต้องให้แต่ขอว่างั้นอย่างไงอย่างไงก็จะไปกับปุณณกายักแล้ว แต่ขอทําพิธีต้อนรับวิปปุนนกกยักษ์ดูดปัญญาของท่านนะท่านก็พาไปที่บ้านของท่านแล้วก็เลี้ยงดูปูเสืออย่างดีเลยสามวันพวานั้นสามหรือสี่ห้าวันเนี่ยจำไม่ได้แล้วเลี้ยงดูอย่างดีเลยใช่ไหมเลี้ยงดูให้อาหารให้นางละมิสรรารพัดบทไปเสร็จแล้วดูแลอย่างเช่นิดที่อะอย่างที่ชนิดที่ว่าเป็นและในขณะเดียวกันตัวเองก็สอนนะวิถีราบดิ์ก็สอ น, นะรรสอนลูกๆ ว่าเวลาจะอยู่กับพระราชาเนี่ยควรทาตัวไงอันนี้สําคัญมากนะเออการจะคบกับพระราชาหรือคบเจ้าใหญ่ในโตทั้งหลายเหล่าเนี้ยวิธีการวางตนเห็นไหมมีคุณเขาคุณและโทษใช่ไหมครับอันนี้เราจะวางตนยังไงท่านก็บอกบอกวิธีการว่างั้นเถอะพอหลังจากคบกําหนดเบ็ดเสร็จแล้วก็ไปกับปุณกยักษ์พอไปได้ระหว่างครึ่งทางปุณกยักษ์ก็เลยมาคิดในใจเอาแล้วจะฆ่าวิถีเบับดิตแล้ววิธีจะฆ่าคือว่าจับ จับจับขาวิทูรบรัณฑิตแล้วห้อยห้อยห้อยหัวลงวงหน้าผาพอจับปบแล้วก็เนี่ยยืนยื่นลงจะปล่อยลงในหน้าผาเพราะงั้นเถอะผลป ร, กรากฏว่าตอนนั้นเอฟแปกใจปุณกัยะก็แปลกใจว่าทําไมวิทูรบรัณฑิตจึงไม่สะทกสะทานไม่กลัวต่อความตายเอาอะไรเป็นเหตุทําให้ท่านไม่กลัวตายปัญญาครับเนี่ยคนมีปัญญาไม่กลัวตายนะ เอาทำไมถึงไม่กลัวตายท่านก็พิจารณาไงท่านก็พิจารณาในชีวิตของท่านท่านไม่เคยทำชั่วคนไม่เคยทำชั่วเนี่ยถ้าตายไปแล้วเนี่ยเขาได้ดีไหม <c oughs> เขาก็ได้ดีตำแหน่งเขาก็สูงขึ้นอย่างพวกเราทำดีไปทั้งชีวิตเนี่ยทำหน่อยท่านอาจารย์กลัวตายวะกลั <c oughs> <c oughs> ววะเขาจะตายแล้วได้ดีกว่าเดิมอ่ะเสียวเลย มีเสียวด้วยอะแสดงว่ายังอัดความดีไม่พอเพิ่มดีครับต้องเพิ่มพลังความดีให้เต็มที่ถึงไม่กลัวตายใช่ไหมเหมือนวิทยระบดดิตเนี่ยจนบุญนักกยะตกใจเลยเอ๊ะทำไมปกติแต่เคยฆ่าคนมาเยอะแล้วเนี่ยทําไมจับมนุษย์ภู้นี้ยห้อยศรีรษะลงแล้วทําไมไม่กลัวตายไ ม, ไม่พยายามดิน้นลนขอร้องว่าช่วยด้วยอย่าฆ่าฉันเลยไม่พูดเลยอ่ะ ดดดังเหมือนก็เหมือนก็ยังยิ้มยิ้มอยู่เลยหน้าตา ย, ยังผ่องใสยอยู่เลยว่างั้นเถอะท่านท่านอาจารย์ถ้ามีใครจับจับขาท่านอาจารย์นั่นเนี่ยอยู่ชั้นที่สี่สามชั้นที่สี่อย่าเงี้ยแล้วก็ห้อยหัวลงเนี่ยยังมีการยิ้มยักคิ้วได้อยู่มั้ย <c oughs> ร้องร้องกันนะทีนี้ตรงนี้ก็คือเหตุผลก็คือว่าปุณกายะ ก, ก็ถามบอกว่าท่านวิทูลบัณฑิตทําไมท่านไม่ร้องขอชีวิต สองทำไมท่านไม่มีอาการประม่าสั่นและกลัวตายเป็นต้นถามเนี่ยนะท่านก็ตอบปุณณกายักษ์เลยบอกว่าอ๋อที่ข้าพเจ้าไม่ร้องขอชีวิตและไม่กลัวตายเนี่ยเพราะหนึ่งในชีวิตที่เกิดมาเนี่ยข้าพเจ้าไม่เคยทําชั่วเลยแม้แต่น้อยไม่เคยเลยไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยลักทรัพย์ไม่เคยประพฤตผิดนิกาไม่เคยพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพ้อเจ้อไม่เคยโลภอยากได้ของใครไม่เคยพยาบาทบองร้ายแล้วก็ไม่เคยเห็นผิดกุศลกรรมบวชของข้าพเจ้าเนี่ยทำต่อเนื่อง แล้วความดีนี้อัดความดีทุกวันหวังนั้นเธอข้าพเจ้าจึงไม่กลัวสองคนอย่างข้าพเจ้าถ้าตายแล้วก็ได้ดีกว่าเดิมอ่ะฉะนั้นข้าพเจ้าจะกลัวทําไมคนที่กลัวตายก็ต้องคนทําชั่วสิข้าพเจ้าไม่เคยประทุษร้ายมิีดข้าพเจ้าไม่เคยอักตันยูเนี่ยใน้พูดคํานี้นะเสดุ้งไหมคำว่าไม่เคยประทุษร้ายมิตรไม่เคยอักตันยูปุณกยาก็เสดุ้งเลยอุ้ยตายแล้วเนี่ยอะไรถามทันทีอะไรชื่อว่าอักตันยู คนที่คนที่บอกว่าในทำในจำนวนก็คือว่าบุคคลใดเนี่ยอาศัยเม้ล์่มไม้ชายคาเนี่ยนะอาศัยล่มไม้เนี่ยนะเดินทางไกลอาศัยร่มไม้แล้วยังไปหักรานกิ่งของต้นไม้เขายังเรียกคนอาักาตันยูคือคนชั่วนะไม่เห็นคุณของต้นไม้พวกนั้นก็นึกในใจอา้าวตายแล้วสิเราพวกนั้นไอ้ท่านคนนี้ดูแลเราตั้งสามวันเจ็ดวันดูแลเราเป็นอย่างดีอ่ะเลี้ยงดูปูเสือเราด้วยอา้าวแล้วขว่างน้น เอาอย่างนี้ท่านในทํานองว่อาไอ้อย่างนี้ท่านก็เป็นคนอกตัญญูอันนี้ท่านคิดเองนะใช่ไหมล่ะท่านต้องคิดเองนะเนี่ยเอาถ้ า, ถ, าถ้าท่านทำคนชั่วดีถึงกลัวถึงกลัวความตายใช่ไหมล่ะเออตอนเนี้ยถ้าหากเราไปเจอสถานการณ์ยังไงแล้วก็ปัญญาของวิทูรบัณฑิตมาตอบโต้เขาหน่อยดีไหมท่านมหาเอาใจดีสู้เสือเข้าไว้สมมุติว่าไปภาคใต้ไปบินนบาตนะท่านอาจารย์นะ สอนวิชาสอนวิชาให้ก็ดีนะผมก็มั่นใจไม่เปลี่ยนใจเ น, ะนจเี่ยนะผมยังกลา่าว่าจะกล่าวผมจะขอเบอร์โทรอยู่เนี่ยนี่ <laughs> ผมพูดจริงนะไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ย ไ, ไ, ดได้หนึ่งองค์แล้วเนี่ยนั่นแหละแต่ผมรับประกรันความปลอดภัยให้แต่ท่านอาจารย์ต้องทำประกันชีวิตนะครับต้องทำประกันชีวิต แต่ผมแนะนําให้ทําประกันชีวิตกับพาราธนาไตรเป็นบริษัทที่มั่นคงที่สุดกว่าบริษัทประกันภัยในโลกว่างั้นใช่ไหมล่ะเจอหน้ายอมก็ต้องถามโยมทําประกันชีวิตหรือยังทํำยังโยมทําไว้กับพาราธนาไตร ย, ยังยังไม่ได้ทํารีบทําเสียวันนี้รีบไปทําเนี่ยถือว่าชีวิตไม่ปลอดภยัยฉะนั้นบริษัทไหนในโลกไม่มีไม่แข็งแรงไม่มั่นคงเท่ากับพาราธนาไตรว่างั้น บริษัทของพระราชานไตรัยคือพุทธราชทามารัตน า, รร า, นาสังก ร, ราตนาเนี่ยเป็นบริษัทประกันภัยที่ป้องกันกระแสชีวิตของมนุษยชาติได้ดีที่สุดในโลกว่างั้นไม่มีบริษัทไหนดีเท่ากับบริษัทกล่าวคือพระราชทนไตรัยแล้วจริงไหมจริงเออเนี่ยทําประกันอย่างนี้ไม่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยด้วยแต่เพียงมีข้อมแม้อยู่อย่างว่าก็คือศึกษาคําว่าคัดฉามีเนี่ยแปลว่าอะไรท่านมาคำว่าคัดฉามี่แปลว่าอะไร เออแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงใช่ไหมแปลว่าไปแปลว่าถึงแปลว่าอะไรไปนั้นเป็นกิริยานะเป็นกิริยาที่น้อมก็ไปน้อมก็ไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทโดยปราศจากเงื่อนไขนั่นแหละกิริยาที่น้อมก็ไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาทและยังแปลว่ารู้และเข้าใจด้วยนะครับว่าขจฉามีเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่พุทธทางสระ น, นังขจฉามีแล้วก็มื น, มนไปไม่ใช่นะฉะนั้นต้องกิริยาที่น้อมก็ไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธโอวาท นั่นแหละก็เรียกคัดฉามีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะทําประกันภัยกับพระรัตนตรัยก็กิริยาก็น้อมเข้าไปศึกษาปฏิบัติตามพุทธวิวัน้อมกิริยาที่น้อมเข้าไปเดินตามร้อยบาทรพระศ า, าสดานั่นแหละนั่นแหละก็เรียกคัดฉามีนี่ถือว่าทําประกันภัยเรียบร้อยแล้วแต่ต้องรู้ด้วยนะต้องรู้และเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีด้วยเนี่ยเออทีนี้ทีนี้ปุทธกาญจักก็ถาม พอถามเบเสร็จตนเองก็โอ้โหเราเป็นคนชั่วเราเป็นคนอักตันอยู่เราเป็นคนไม่ดีแล้วเนี่ยท่านก็เลยหยุดหยุดแล้วก็ไม่ฆ่าแล้วพอไม่ฆ่าเบียเสร็จก็กรถามว่าเอา้าแล้วท่านจะกลับไปหาไปหาว่าที่พอตายยังไงเนี่ยว่าที่แม่ยายยังไงเนี่ยเพราะแม่ยายก็นอนป่วยเป็นไข่อยู่อยากจะกินหัวใจของปุณกยักษ์เอออยากจะกินหัวใจของวิถีรบรณัณฑิตเนี่ยว่างั้นก็ผมก็คิดไม่ออกเหมือนกั น, นคนไม่มีปัญญาคิดไม่ออกนะ วิถีเราปฏิบัติก็บอกไม่เป็นไรงั้นเอาเราไปด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวเราเร า, เราจะไปจัดแจงให้จัดการให้เห็นไหมเอาทําไมท่านกล้าไปเอาเรามีปัญญาเนี่ยคนมีปัญญาทำไมไม่ไม่กล้าไปเออพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระโพธิสัตว์นี่ประหลาดมากเลยนะตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านไม่กลัวไม่กระทั้งเสือไม่กลัวกระทั่งูนะไม่กลัวไม่กร่สัตว์ร้ายหรือสิ่งเลวร้วายทั้งหลายท่านไม่กลัวเลยเหตุผลอะไรรู้ไหมเพราะท่านไม่เคยทําำปฏิบัติครับ แก็คนที่รักษาศีลข้อแรกดียังไม่ต้องกลัวตายหรอกอายุยืนทั้งนั้นแหละแต่สําคัญพวกเราไม่ค่อยดีแต่โรคภัยแค่เจบเบียดเบียนกันต้องขอัดอัดกุศลศีลก็งดเว้นจากการฆ่าเต็มที่ใช่ไหมพลังของกุศลศีลนั้นมีอํานาจเนี่ยใช่ไหมเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมังตะนางกัชามีนี่คุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติทำให้พ้นจากภัยในไบยูมิเป็นต้นได้ใช่ไหมเล่าที น, ทนี้ทีนี้ท่านก็ไปลพลงไปในเบสเด็เนี่ยนะ โอ้โหพอใครไปเนี่ยนะในเมืองของพญานาคพระเจ้าป ด, ดินดนิมีอำนาจมากทุกคนไม่กล้าแม้กระทั่งมองหน้านะไม่กล้าแม้กระทั่งมองหน้าพระเจ้าไ์ปดดิเ น, นะในยุคเก่าๆ ก, ก็เป็นอย่างนี้นะตั้งแต่ก่อนรัชกาลหรือสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคนเวลาเข้าเฝ้าพระราชาทั้งหลายเหล่านี้เขาห้ามมองหน้านะจะไม่ต้องคานเข้าไปอย่างนี้แหละอันนี้นี่เป็นเรื่องอย่างนั้นแหละแต่แปลกวิถี ร, ร, ร, รัฐบัณฑิตไม่คานเข้าไปหรอก คนอื่นเขาคานหมดแม้แต่ปุณธากา่ยาก็คานเข้าไปนะแต่วิทูรเราเป็นดิษเดินเดินมองหน้าเดินเข้าไปอย่างเงี้ยพระราชาก็ตกใจดิชี้หน้าบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะชี้หน้าอย่างเงี้ยนะว่าทําไมว่างั้นคนอื่นเขาหมอบก็ราบกันหมดแล้วทําไมยังไม่หมอบว่างั้นยังมีกลัวตายเขาร บ, ร บ, บ, บอกว่างั้นวิทูรเราเป็นดิษบอกว่ากดข้อแรกกดข้อแรกของของเพชฌฆาตกับนักโทษนี่นะหนึ่งนักโทษจะไม่ทําความเคารพเพชฌฆาต นี่เดียวมาได้บัญญาไปแล้วใช่ไหมล่ะไม่เพราะว่าหนึ่งท่านเป็นเพชฌฆาตเนี่ยท่านจะต้องการฆ่าเราอยู่แล้วไม่เห็นมีความจําเป็นเลยที่เราจะต้องไปไปงอหรือไปไปไปก้มหรือไปทําความเคารพท่านมันกดข้อแรกว่า ง, งั้นในสังคมนี้เขาจะไม่ทําความเคารพหรอกห้ามเขาไม่ได้ให้ไปโอ้โหเราเป็นเราเป็นนักโทษเนี่ยไปกราบประงอกประงอกไอ้คนที่จะฆ่าเราเนี่ยสมมติเราเป็นเรา เ, เราเข้เาไ ป, นา ป, นาปนในแดนทหารเขาไม่ทําความเคารพนะ คนที่ถูกล่ากัาไปทําความประหารที่เข่ามันสุดนะมันมันแป๊บหมดแรงเองนะนั้นมันจะมีทําความเขารอบก็นะบางคนเนี่ย อ, อแปลกมากนะไอคนที่ต้องโทษประหารชีวิตและจะถูกฆ่าเนี่ยต่อให้เป็นโจรใจหินอินเดชาตยังไงก็แล้วแต่ไ อ, อพอบอกว่าจะตายเนี่ยกินข้าวไม่ได้แทบทุกคนนะเท่าที่เคยเคยเคยสื่อประวัติมาเนี่ยเออมือสุดท้ายกินไม่ลงแปลกนะทั้ ง, ท, งทั้งที่มันเคยฆ่าคนอื่นมาเยอะแยะเบสเสร็จเนีย่ย พอถึงมือสุดท้ายมันกินข้าวก็ไม่ลงเอาผ้าไปเทศมันฟังไม่รู้เรื่องเลยกอประหลาดอย่างไงนะเอ๊ะอย่างถ้าพวกเราไปโดนโดนคําตัดสินประหารชีวิตอย่างนั้นคิดว่าเราจะฉันอาหารได้อร่อยหรือไม่ <c oughs> มือสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ยังจะมั่นใจไหมว่าโอ้ไม่เห็นเป็นไรเลยมนุษย์เกิดมาก็ตายกันหมดไม่มีเหลือตายวันนี้ก็ตายพวกนี้ก็คือตายอะ่ะคิดอย่างนี้ไหม <c oughs> เออแล้วแปลกอีกอย่างนะเมื่อกินกินข้าวไม่ได้แล้วไม่พอนะหลังจากเขาให้มากินข้าวก็าาพาเทศเบ็ยดเสร็จนะมันไม่รู้เรื่องเบ็ยดเสร็จแล้วแล้วพยามเขาประคองเดินเดินไม่ได้พอยิ่งเดินใกล้หลักทหารที่อะไรมันสุดหมดแรงเลิงหมดเลยว่ามันแสดงว่าความตายมันน่ากลัวขนาดนั้นนะ น, นี่คงในชีวิตคงไม่เคยคิดเลยใช่ไหมละ่ะแต่อย่างพ้าเรานี่ไม่มีปัญหาจเจริญมรณสติทุกวันใช่ไหมทุกวันไหมไม่ทุกวันเนี่ยอา อทางนี้ก็ไม่ได้ทําตามพุทธโอวาสสิในปฐมมรณสติสูตรทุติยามรณสติสูตรพุทธิจ่าบอกให้เจริญมรณสติทุกลมให้ใจเขาออกนะอันนี้เป็นคําสั่งเลยนะเราจะว่าไงเนี่ย้ท่านอาจารย์ว่าไงนี่ละเลยพุทธโอวาสเนี่ยใช่ไหมล่ะเลย อลองไปดูที่ในปฐมมรณสติสูตรในทุติยมรณสติสูตรเนี่ยพูดจริงจริงนะบอกว่าถามภิกษุไงเธอเธอเจริญมรรคติเนี่ยวันละกี่ครั้งอีกองหนึ่งก็วันละครั้งบ้างอาทิตย์ละครั้งบ้างอะไรไปตามแบบนี่นะก็รายรายอะไรมาตามแบบก็ชั่วกินข้าวมื้อหนึ่งบ้างอีกองเนี่ยผู้เจ้าบอกประมาท ร, รวดเลยเฮ้ยมีประมาทนะว่างั้นเอาต่อไปควรทาไงก็มีภิกษุอยู่รูปหนึ่งที่บอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกว่างั้นคิดถึงความตาย แล้วก็มานักสิการถึงคำสอนผู้เจ้าอย่างต่อเรื่องผู้เจ้าบอกสาธุนี่แหละว่งงางั้นนี่เป็นพุทธโอวานนะฉะนั้นเธอทั้งหลายก็ควรเจริญตามภิกษุรูปนี้แหละให้คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวท่านอาจารย์ถามเอา้าแล้วผมจะกินแล้วผมก็ไปทํากิจอย่างอื่นไม่ได้เลยสิเนี่ยผมก็ต้องมานอจ้องดูลมหายใจแล้วก็ตายแน่ตายแน่อย่างเงี้ยวะก็ไม่เจริญแบบนี้นะวันานติเขาไม่ได้เจริญว่าตายแน่ตายแน่อย่างเดียวนี ก็หมายความว่าให้มันสติระลึกตลอดเวลาว่าโอ้เนี่ยช่วงหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยเรายังมีชีวิตยอยู่ในการมนาสการคําสอนพระเจ้านี่ดียิงหนอว่างั้นให้มนาสการอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วจะได้สเถือนใจในสังสารวัฏและสเถือนใจใจใการมีชีวิตยอยู่ที่มันมีความแน่นอนวิธุรบัณฑิตก็ไปชีนะ้หน้าชี้หน้าบอกว่าเออก็อตอบโต้ไปบอกว่ า, เ, าเพชรนักโทษจะไม่ทําความเคารพเพชฌคาต เอาแล้วทำพระเจ้าแผนดกรถาว่าทําไมท่านไม่กลัวตายนั่นแหละท่านก็บอกว่าเหตุผลที่ไม่กลัวตายเพราะท่านไม่เคยทําชั่วเลยฉะนั้นถ้าท่านจะตายเนี่ยท่านต้องไปได้ดีแล้วท่านย้อนถามเลยนะย้อนถามว่าเออท่านถามพระเจ้าแผ่นดิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญว่างานเอยถามว่าข้าแต่พระราชาสมบัติที่ท่านได้มาเนี่ยเพชรนินจินดาก็ดีเมืองที่อลังการก็ดีอํานาจวาสนาที่ได้มาทั้งหมดเนี่ย ได้มาด้วยการทําดีหรือทาชั่วถามถามเงี้นะเออได้มาเพราะอะไรเนี่ยก็ทําดีก็ว่างัา้นอ่าแล้วตอนนี้ท่านสั่งฆ่าเราเนี่ยแปลว่าท่านทําดีหรือชั่วเนี่ยก็ตกทําชั่วเอออย่างนี้ท่านก็ทําหักหลักการของของเหตุและผลสิจำไหมล่ะท่านท่านก็หักหลักการของเหตุและผลสิเออท่านได้ไ ด, ได้ได้ทรัพย์สมบัติมาเพราะทานกุศลว่างั้นเธอ ได้มาจากคุณความดีได้มาจากสุจริตวางนั้นอานาจวาสนาทั้งหลายเนี่ยกำลังฤทธิ์กำลังอำนาจที่ท่านมีอยู่แล้วก็บริวารญาติมีทั้งหลายที่ได้มากําลังของบุญทั้งนั้นแต่ท่านมาสั่งฆ่าเราเนี่ยนี่ท่านมาทำบาปนะ <c oughs> โอ้้าเจอคนอย่างนี้กล้าฆ่าไหมเนี่ยเห็นไมเนี่ยปัญญาเนี่ยนี่ปัญญาเป็นแบบนี้แหละที่สุดจริงๆก็แกไป่โปรโด วิถุรบนดิดก็ไปโปรดพย า, ยานาคกับเนื้อกับตัวรักษาศีลด้วยนะในวังนั้นพระเจ้าเป็นดินรักษาศีน่พระรมเฮียสีที่อยากกินหวัวใจวิถุระเบนดิดก็รักษาศีน่าหายป่วยเลยอ่ะแล้วทัปราชารักษาศีล่แล้วเ น, นี่ยการเผยแผ่ศา ส, สนาของพระโพ ธ, ธ, ธิสัตว์อการเผยแผ่ความดีของโ พ, พธิสัตว์ก็เป็นแบบนี้ยแม้พระเจ้าเองเนียอัตยาศัยในการประกาศคําสอนของพระเจ้าหลังจากตัดสู้แล้วเนี่ยพระเจ้ามาประกาศที่ควานมาคตนี่เอาใครนับถือก่อน เอาชดินอย่างเงี้ยนะชะดินนี่เป็นยอดของความของที่เคารพของคนในแฟนมคตเลยนะบเบ็เสร็จแล้วเอาใครต่อพระเจ้าพีพิสานนุ่นเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองแฟนมคตขนาดพร ะ, พระเจ้าแผ่นดินนับถือแล้วคนอื่นแทบไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมล่ะนี่ไงการประกาศศ า, าสนาของของพระชิ น, นาเจ้าเนี่ยเอเราก็วิธีประกาศศ า, าสนาพระองค์ก็ทําแบบเนี้แต่มายุคโลกสิทธิ์นี่โลกสิลป์ไม่ค่อยเดินตามรอยพระศ า, าสนาเท่าไหร่ เออตรงนี้ความความเป็นผู้มีมีธรรมเป็นใหญ่และมีโลกเป็นใหญ่ความเป็นผู้รู้คุณท่านและอุปการละก่อนความปราศจากโมหะและตัณหาความสำเร็จด้วยวิชาและจรณนะที่ความสำเร็จแห่งพละหรือเวสาัะชะทำทำที่ทำไม่กล้าดังนั้นนะปัญญาและกรุณาจึงเป็นปัจจัยของบรารมีทั้งหลายเป็นต้นนะตรงนี้ก็เป็นการชี้ชี้ประเด็นให้เห็นเออตอนนี้ ที่จะพูดในเรื่องของบารมีเจาะลงไปสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะรีบข้ามๆไปเนี่ยนะเพราะเวลาจํากัดเนี่ยผมจะเจาะประเด็นในการพิจารณาในเรื่องของทานบารมีของพระโพธิสัตว์หน่อยว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอัธยาศัยในทานบารมีเนี่ยท่านท่านคิดยังไงเอออัธยาศัยในทานบารมีเนี่ยท่านจะพิจารณาบอกว่าปัจจัยแห่งทานบารมีเนี่ยนะของพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ประพฤติเพื่อสัมมาสัมพธิยานี่นะครับ จึงอยู่ความเป็นผู้มีอัตยาศัยในทานเนี่ยสูงมากก็มีอะไรก็ให้นะครับอัตยาศัยของโพธิสัตว์เห็นโทษในความตนีในความตณีนี่ยไอตัวมัชชริยาใ น, นความตนีความที่ไม่อยากจะสละออกเนี่ยมันเป็นปฏิปักษ์ต่อการให้เป็นปฏิบัติต่อทานทานน่าอนเปลว่าการให้ใช่ไหมครับจึงบําเพ็ญทานบา ร, รมีให้บริบูรณ์โดยชอบท่านเห็นโทษท่านรู้แล้วอไอตัวขวางบา ร, รมีข้อแรกก็คือตัวมัชชริยะ ทำไห้มัจฉริยะนี่มันอยู่ในกลุ่มของกิเลสกลุ่มไหนรู้ไหมครับไอตัวมัจฉริยะความตนีเนี่ยมีใครเป็นหัวหน้าเขาอ้าวมีโลภะเป็นหัวหน้าหรือมีโทสะเป็นหัวหน้าหรือมีโมหะเป็นหัวหน้ า, ายอมว่าโลภะใช่ไหมอพราก็ว่าโลภะแล้วมีใครตอบไหมไอตัวมัจฉริยะนี่มีใครเป็นหัวหน้ารู้ไหมโลภะโทสะหรือโมหะ โธสานะครับไอตัวมัจฉริยะเนี่ยมีโธสาเป็นหัวหน้าคนเราเนี่ยจะเป็นห่วงเนี่ยถ้าลองมีใครมาเอามันโกรธนะมันโกรธนะแต่ว่าเออแปลกเวลาให้เนี่ยมันให้ให้หนึ่งเนี่ยมันกระทบสองเลยนะมันไปตัดตอนไอ้กีดีสองกลุ่มเลยนะกลุ่มหนึ่งก็คือตัดตัวโลภะนะครับสละเนี่ยอย่างยอดวัตถุชิ้นเนี่ยนะครับเนี่ยมันห่วงเออมันมันมันยินดีใช่ไหม ฉั้นการที่จะกล้าให้ต้องทำลายความยินดีก็คือทำลายโลภะในวัตถุทานสองสองก็ทำลายโทสะในผู้รับต้องไม่หงุดหงิดทั้งจะเป็นทานับารมีนะผู้รับจะเป็นใครก็ช่างเถอะถ้าเป็นทานของพระบริษัทเนี่ยผู้ผู้รับจะเป็นคนยาจกว่านี่พกเป็นคนเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นคนมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เขาจะเวียนเทียนมาหลายรอบก็ไม่ปฏิฆะ ต้องไม่กระทบกระทั่งกับผู้ที่มารับว่างั้นนี่คือทานของพระบุตริษัทเขาท่านและอย่างหนึ่งสังเกตดูนะว่าไอตัวมัชชริยาจะถูกทําลายไปด้วยใจก็จะเปิดกว้างออกใจก็จะเปิดกว้างออกเห็นไหมครับเนี่ยฉะนั้นการให้เนี่ยมันทําลายอย่างเงี้ยไม่ใหม่ฝึกให้เลยยากไม่ใช่ง่ายนะการให้ทานเราก็นึกว่าเรานึกว่า ง, ง่ายๆที่ไหนะเอ่อยกตัวอย่างเช่น ถ้าให้ของที่เราไม่ชอบน่ะง่ายใช่ไหมครับถ้าให้ปียาทานังเนะี่ยของที่รักเนะยังทีเ้ยแค่แวนเนี้ยถ้ามีใครขอกล้าให้นะกล้าไหมท่านอาจารย์กล้าให้ไหมเพราะจะทิ้งอยู่แล้วป่ะ <c oughs> ไม่ถ้าเขาขอทั้งสองอันเลยอ่ะ <c oughs> อาอไว้อัน <c oughs> เออให้ดีกว่าโอ you right. ้โอ้น่ะน่ะน่โมทนาอ๋ออย่างนี้น่ะโมทนานี่นี่ให้สิ่งที่ดีกว่าได้ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะเนี้ยเขาเรียกให้ปิยทานังต้องฝึกนะวิธีฝึกจะเจริญทานกุศลนะของอะไรที่เรารักที่สุดนะครับวิธีวิเนี่ยพอวิธีฝึกครั้งแรกเลยนะอะไรที่เรารักเนี่ยบางทีเชื่อไหมของที่เรารักกลับกลายเป็นของที่ไม่ได้มีค่าเลยเลยนะ แต่เราเก็บไว้นานเราชอบของเราอ่ะไอของชิ้นนั้นฝึกนะครับวิธีจะเจริญทานกุมลใหม่ๆเนี่ยฝึกในการน้อมที่จะสละแต่ฝึกกิตก่อนนะว่าอันี้เราจะต้องให้ให้ได้เราจะต้องให้ของที่รักนี่แหละมันจะประทับใจถ้าสละชนะได้ะลราไปฝึกดูนะการเจริญทานบารมีเนี่ยให้ฝึกให้ของที่รักเขาเรียกปิยทานนางถ้ารักลูกก็ลองสละลูกดูอย่างนี้ไปต้น แม้แต่ของใหญ่ไว้เนี่อันนี้พูดยกตัวอย่างเออลองไปดูที่ในกุฏินะว่าเรารักอะไรเอาปกติเนี่ยพระเราเนี่ยหาของรักไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพราะเราไม่ค่อยไปยืดนี่เอ๊ะทำยังไงเนื่แต่ก่อนนี่นะผมศึกษาฐานบา ร, รมีอภิสัตต์ใหม่ๆเนี่ยผมผมฝึกไม่เป็นนะผมก็ให้เป็นปกตินี่แหละผมก็นึกคนป็นิานที่ไหนได้ผมไม่ได้ประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตเนี่ยพัฒนาไปสู่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหม ผมก็เป็นฉันทะทานนางบางคนนี้ผมรักมากผมก็ให้มากอนะ่บางทีก็เป็นโทสาทานนางว่าบางทีก็ให้ไปพวกลำคาลําคาลต้งเนนมาขอเนี่ยนะบางทีก็เป็นโมหาทานนางผมก็ไม่รู้เรื่องแล้วเออให้ให้ใหตะเพือตะเพือเนี่ยนะบางทีก็เป็นกุลังตาทานางังเรื่องให้ให้ให้ตามประเภณนี้ว่างั้นถึงเอา้าเทศกาลวันเกิดของสำนักเรียนอะไรต่างเอาแจกตามประเพณนี้นี่สมมุติเนี่ยนะบางทีก็เป็นสังคสาสทานางังเขาบอกว่าสุกติโลกสวรรค์หวัง หวังโลกสวรรค์บางทีก็เป็นสมนัทานังให้แล้วสบายใจไปวันวันไม่ได้แค่นี้ยังไงแต่ว่าอะธานของบริษาทนี่เป็นประเภทจิตตารังกลาลทาตนางนี่ประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิตกำจัดไอราคะโทสะโมหานี่เอ้ยทำยังไงเนี่ยเขาก็ไปดูอะไรเน้ะที่เรารักที่สุดเนี่ยเราก็มีการนึกถึงภายในก่อนใช่ไหมไอภายในเนี่ย เรารักไหมเลือดในร่างกายเราเนี่ยมันลักอยู่แล้วใช่ไหมไอ้นั่นผมก็ลองดูข้างนอกก่อนว่าเอ๊ะนี่มันอะไรเนี่ยที่จะเป็นชิ้นส่วนที่เรารักผมก็พยายามฝึกนะครับโอ้ยชิ้นนี้เรารักมากทีไอ้อยากก่างนั้นเลยก็มาคิดกูดูพยายามปรุงแต่งจิตประดับจิตตกแต่งจิตว่าเออเราจะหาเนี่ยหนึ่งวิจัยวัตถุก่อนเอามาเช็ดให้เรียบร้อยเอามาตกแต่งนะต้องไอ้คำว่าทานของสัตว์บุรุษเนี่ยต้องหนึ่งวิจัยยาทานางังใช่ไหมหนึ่งวิจัยวัตถุ เฮ้ยเอามาจัดแจงให้เรียบร้อยทําปุพผะเจตนาให้ดีโอ้ยขัดทําให้เรียบร้อยเบียดเส็จนี่ปุพผะเจตนาได้แล้วใช่ไหมทําให้เรียบร้อยเบียดเสจเอาละ ต, ตกแต่งวัตถุทานสองวิจัยผู้รับเอาใครดีนะถ้าเราจะเป็นปุกลิกทารเนี่ยแบบเจาะจงอลยนะหายากนะปุกลิกทานเนี่ยที่เราจะเอ้ยศรัทธาใครจริงเนี่ยนะอา้าวจะมีเรามีโอ้ท่านบนนี้มีข้อวัดปฏิบัติดีแล้วเอาเถอะเนี่ยนี่วิจัยวิจัยทานวิจัยตัววัตถุทานกับวิจัยผู้รับ อันนี้เป็นปุโรหิตทานแต่พอต่อมาหลังจากฝึกตัวนี้ได้แล้วนายข้าวก็ฝึกพัฒนาแบบน้อมถวายสง์มีพระเจ้าเป็นประมุกอันนี้ชัดเลยเนี่ยเนี่ยพยายามฝึกแบบเนี้นี่เขาเรียกฝึกฝึกในการเจริญทานพระโริสัทว์ก็ต้องฝึกอย่างเี้แหละอย่างเบื้องต้นจริงๆแต่มาระยะหลังท่านจะชำนาญมากท่านชํานาญถึงขนาดบอกว่านี่นะอัตยาสายของตันก็คือเห็นโทษเห็นโทษ บำเพ็ญทานบารมีเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีล น, นะเห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีลก็บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์มีอัธยาศัยในเนื้อมำเห็นโทษในกรามและการของเรือนเป็นต้นทน ต, ตามลําดับนี่นะทีนี้วิธีการที่บอกว่าเอเนี่ยท่านว่าพิจารณาบอกว่าการพิจารณาโทษและ น, นิสงตามลําดับการไม่บริจาคและไม่บริจาค ก, การบริจาคและไม่บริจาคเนี่ยท่านบอกว่าธรรมดาวัตถุทั้งหลายเนี่ยสัดหวงแหนมากกว่างั้น เชื่อไหมนำมาซึ่งความพินาศถ้าจิตใจเราไปคล้องแวกทรัพย์สมบัติยกตัวอย่างเช่นที่ดิ น, นไมใครใครมีที่ดินมากบ้างเนี่ยหนึ่งที่ดินนะสวนเอวยเงินทองเอวยโคกระบือทาาหญิงท่าชายบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ถามว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้ทั้งหลายเนี่ยเป็นวัตถุที่สัตว์หวงแหน เป็นของนํามาซึ่งความพินาศอย่างใจหลวงเอาสิเราไม่จากเขาเขาเราสิ่งนี้ก็ต้องจากเราใช่ไหมถ้าเรามีทรัพย์เรามีเงินมีทองมีโคมีกระบือมีรถว่างกันเถอะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่เถอะมีบ้านองเงี้ยมีทาสหญิงทาสชายมีบุตรมีภรรยาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นเหตุแห่งความพินาศเพราะสมบัติเหล่านี้มีที่ดินเป็นต้นเนี่ยมีคนอยากได้มากและเป็นวัตถุที่น่าปรารถนา เป็นสาธารณภัยแก่ภัยทั้งหลายด้วยเดี๋ยวก็โดนเจอราชภายัยโจระภัยอุทกภยัยน้ําท่วมมืออักขีภยัยโดนไฟไหม้เป็นต้นใช่ไหมล่ะฉะนั้นมันมันมีภัยรอบด้านเลยและเป็นเหตุสมมุติไม่เจอภัยเหล่านี้ก็เป็นเหตุในการทะเลาะวิวาทกันท่านอาจารย์เป็นเจ้า ว, วาดนี่เจอบ่อยไหมล่ะญาติทะเลาะกันเรื่องที่อะทะเลาะกันเรื่องซอับอะบ่อยไม่บ่อย นี่ไงมันเป็นเหตุแห่งความวิวาทกันทะเลาะวิวาทกันจริงๆนะนเรื่องทรัพย์สินสมบัติเนี่ยและเป็นเหตุแห่งการเป็นศัตรูกันด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีแก่นสารไม่มีสารางความงามเป็นต้นเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่นทั้งในการได้มาและการคุ้มครองสมมุตินะเราได้มาต้องไปเบียดเบียนคนอื่นเขานะทรัพย์เนี่ยเอา้าได้ตึกหลังนี้มาเบียดเบียนคนอื่นไหมก็เบียดเบียน นีสัตว์ตายกี่ล้านตัวเนี่ยกว่าจะวางตึกหลังนี้ลงได้โอยเบียดเบียนไม่รู้เท่าไหร่นี่ยอัดแผนดินปึกปึ๊ปึ๊ ก, ก, กตายเยอะฉะนั้นจะสร้างวัดแต่ะทีเนี่ยคิดว่าสัตว์จะตายสิบตัวหรือมีรู้กี่โกรธใช่ไหมท่านมหาว่าจริงไ้มล่ะเห็นไหมเอาแค่สัตว์เดรัจฉานแล้วก็เบียดเบียนไม่รู้เท่าไหร่แล้วเพล่เพล่คารวะทั้งหลายก็นั่งหืมตายแล้วไอเราที่มีนิดเดียวหลวงพ่อองค์นี้มาคว้านซื้อที่เหลื อ, อนเกิน โอ้เนี่ยเบียดเบียนบางทีชาวบ้านก็นยกขบวนก็ไม่เห็นการทะเลาะวันจริงนะาการได้มาก็ก็มีปัญหาครอบครองก็มีปัญหาอีกได้มาคุมค้มครองเป็นเหตุแห่งผลเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สมบัตินั้นเพราะนำมาซึ่งความพินาศหลายอย่างถามว่าเมื่อเรามีทรัพย์เหล่านี้ก็นํามาซึ่งความโศกใช่ไหมถ้าจะจากเขาก็โศกความลำํลำลายลําพันไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจทั้งนั้นแหละโดนแย่งชิงไปก็โศกใช่ไหมละครอบครองเนี่ย แม้ต้องจ่ายค่าน้ํำค่าไฟสอกอีกลำบากจริงๆนะ น, นี่ไงมันเรื่องเรื่องเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์เนี่ยมีปัญหาเยอะอย่างนี้แหละนี่วิธีคิดเบื้องต้นของบริษัทท่านคิดแบบนี้ไงกรณีที่ท่านจะสลาเนี่ยว่า ง, งั้นแกศาสตว์ผู้ถูกมณทินนะความตนีรุมเราไอ้ขั้นจะให้เขาเราก็มิเราก็เดือดร้อนเนี่ยที่บอกว่าจิตที่คิดเจษฎาหนึ่งขนาดจิตเนี่ยแต่ไอ้จิตที่ตนีทั้งหลาย จิตที่มีความโศกทั้งหลายเนี่ยรุมร้อมเป็ น, นพันๆขนาเนี่ยนี่เป็นเหตุให้ไปเกิดในายด้วยนะอย่าลืมนะเอางี้ถ้านอาจารย์ว่าสมมุติเราจะมรณภาพเราจะตายเนี่ยถ้าเอากุติเป็นอารมณ์เนี่ยครับก่อนตายเนี่ยคิดว่าจะไปสุคติไหมฮะใช่ไหมเอานึกเลยเนี่ยพอจะตายโปก๊กนึกถึงนั่นแหละไอ้กุติหลังที่เราสร้างมากับมือนั่นแหละเป็นอารมณ์ก่อนตายเลย จะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยเป็นทุกแกเลยหรือเห็นไหมเอ๊ะทําไมไม่ดีจริงอะ่ะเอแปลกไหมแปลกไหมทําไมเอ๊ะมีกุฏิเป็นอารมณ์เราหน่าจะไปสุคติโลกสวรรค์ใช่ไหมเอางี้เอาที่วัดเน่ยเป็นอารมณ์เลยเอาที่วังวะที่ในปุกป่าไว้อย่างงดงามเลยนะเอาป่าในวัดนั่นแหละเป็นอารมณ์ก่อนตายวันจะไปสุคติไหม เห็นไหมกรณีอย่างนี้แท้ที่จริงเนี่ยที่เราทําทําทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ทําเพื่อต้องการจะเอาสิ่งนี้เป็นนิมิตนะแต่อย่าลืมเราทําไมคิดถึงมันเยอะจังอะใช่ไหมครับคิดเยอะมากเลยเนะเช่นแหมเนี่ยมามองแบบเสรเอสร้างก็ไม่เสร็จทัทีเนี่ ย, มม A ก, ยก็มานอนคานวณอยู่นั่นแหละเอ๊ปีนี้กล่าวว่าพระป่ามามันน่าจะได้นะเนี่ยเอามาไม่ได้อีกยังสร้างไม่เสร็จอีกเดี๋ยวเอาอีกแล้วแต่เนี่ยใจกระพวักผวอง กับอิกุติหลังนั้นแหละกับอิสระการเปลี่ยนหลังนั้นแหละกัอุโบสถหลังนั้นแหละเอแทนแทนที่จะได้บุญนะใช่ไหมทำไมใจเราลุ่มร้อนร้อนลุ่มขนาดนั้นละ่ะเห็นไหมท่านยังบอกเป็นเหตุไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนารกด้วยนะถ้าเราไปคิดเป็นอารมณ์แต่ถ้าเราคิดถึงคุณของพระเจ้าอันนั้นคนละมุมกันเลยนะอันนี้ไม่ใช่คุณพระเจ้าฉะนั้นการบริจาคเนี่ยไอ้การบริจาค ก, กับการสละทิ้งมีอันเดียวกันไหมอันเดียวกันไหม เช่นเอาของไปทิ people, yeah, right? you know? ้งกับกับบริจาคเนี่ยเหมือนกันหรือต่างกันต่างไหมใช่บริจาคไม่ใช่บริจาคไม่ใช่ไม่ใช่ทิ้งขยะใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะอาการอาการก็ปล่อยปล่อยวางเหมือนกันใช่ไหมอาการก็วางเหมือนกันแต่ว่าจิตเห็นมอยู่ที่จิตฉะนั้นอาการก็คือการมีการยื่นแล้วก็วางไว้เหมือนกันนี่แหละแต่อยู่ที่จิตนะครับจิตที่คิดจะทิ้งกับจิตที่คิดจะสละ เพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาในคนละมุมแต่มันคล้ายๆกันน่ะแหละแต่คนฉลาดก็จะเริ่มวางใจไปแล้วแต่นี้ในการให้ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายนะท่านพระธรรมทูตเวลาไปกล่าวในเรื่องนี้ว่าให้ดูปฏิปทาของพระโพธิสัทเนี่ยท่านต้องฝึกหัดขัดเกลาในการสละในการให้เนี่ยไม่ใช่ง่ายอย่างที่คิดเพราะ ง, งั้นเธอชนี้ซึ่งเป็นวัตถุเหล่านี้เป็น เข้าถึงความสวัสดีอย่างหนึ่งถ้าเราบริจาคเนี่ยจะเป็นปัจจัยต่อการให้เราได้อาศัยวัตถุเหล่านี้เป็นปัจจัยให้เข้าถึงความสวัสดีอย่างหนึ่งเพราะเหตุนั้นจึงควรทําความไม่ประมาทในการบริจาคครับไม่ประมาทก็แปลให้มีสติว่างั้นเดอตรึกอย่างต่อเนื่องเอามาละลึกเป็นจารคานุสติทําสภาพจิตใจให้ตนเองให้ปราบปลื้มให้ยินดีก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสให้แล้วก็ยังความปลื้มใจให้เกิดกับญาณปัญญาให้ให้ต่อเนื่องว่างั้น นี่พระบริษัทธ์ท่านก็เตือนท่านก็สอนตนเองแบบเนี้ย <c oughs> ท่านอาจารย์มเวลาไปบอกญาติยมบอกแบบนี้ไหมบอกเดี๋ยวเดี๋วก่อนอย่าเพิ่งบริจาคเออยอมทําวางใจให้เป็นก่อนเงี้ยอย่างนี้ทุกครั้งไหมทุกครั้งกว่าปะกลับไปเอาใหม่ถ้ายอาจตั้งหลักใหม่บอกเอาไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องต้องบริจาคเดินตามรอยข้อบริษัทหน่อยว่างั้นเถอะเพราะยังไงยังไงแม้กว่าเอาของมาเต็มที่กันแล้วใช่ไหมทําให้เป็น กิจจาลักษณะในการปรุงแต่งจิตหน่อยอีกอย่างหนึ่งนะให้พิจารณาว่าผู้ขอเนี่ยเมื่อขอเนี่ยเป็นดุดคุ้นเคยกับเราเออปุ๋ยศาสตร์ท่านคิดอย่างนี้ถ้าใครมาขอท่านเนี่ยบอกโอ้ดีแล้วเขาคุ้นเคยกับเราก็จึงมาขอเราใช่ไหมล่ะถ้าเขาไม่คุ้นเคยกับเราจะมาขอเราได้ยังไงล่ะใช่ไหมล่ะอา้าวที่เดินไปตามถนนแขกมาขอว่างไง <c oughs> แสดง่าเขาคุ้นเคยกับเรานั้นนะเขาถึงมาขอเราอ่ะเขามองหน้าเราเขายิ้มให้เราไหมนั่นแหละเขาคุ้นเคยกับเราอ่งเี้ยเพราะริสัต์ท่านก็พิจารณาอย่างนี้แหละเป็นผู้คุ้นเคยของเราเพราะอะไรเอาทำไมเขาคุ้นเคยกับเราเขาบอกอะไรเราไหมเขาบอกความลับของตนเนี่ยที่เขามาขอเขาบอกความลับเ้วเขาบอกยังไงท่านยานรู้ไหมเขาบอกความลับ เขาบอกว่าทําไมเขาจึงจนเข้าใจใช่ไหมก็เพราะเขาไม่ให้เพราะเขาไม่เคยให้ทานนี่แหละกระแสชีวิตเขาจึงลําบากเขามาบอกความลับกับเราเนีนเมื่อเขาบอกความลับกับเราแปลว่าเขามาแนะนําเราใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขามาแนะนําแล้วบอกว่าแล้วเขามาแนะนําเราอย่างนะที่เขามาขอเราก็มาแนะนํำเราบอกว่าจงถือเอาของที่จะติดไปสู่ สู่โลกหน้าว่างั้นนะเขาบอกว่าเนี่ยว่างั้นนะเขามาบอกเขามาแนะนําเราแต่เราอ่านอาธิษฐาไม่ออกครับเราไปนึกแต่พยันชนะแท้จริงเขามาบอกความลับกับเราว่าจงถือว่างั้นจงถือเอาของที่จะติดตนไปสู่โลกหน้าอย่าอย่าเก็บไว้ของเนี่ยถ้าเก็บไว้มันก็ตกอยู่ในโลกใบนี้ แต่ถ้าคุณสละให้เราแล้วเนะี่ยคุณจะได้มีของติดตัวไปสู่ปัโลกนี่แปลว่าเขาบอกเขาแนะนําเราไหมนี่ท่านมาหาไวสังเกตนี่เวลาเขาขอเนี่ยเขาแนะนําท่านมาหานะเนี่ยเขามาแนะนําว่านี่ไงท่านมาแนะนําว่าจะเอาจะเก็บไว้ของเนี่ยถ้าเก็บไว้เนี่ยมันอยู่ในโลกใบนี้มันก็ผุพังหมดแหละแต่ถ้าท่านจะไปสู่ประโลกไปสู่โลกหน้าเนี่ยท่านจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปถ้าท่านให้ใช่ไ้มล่ะ เพราะโลกถูกไฟคือมรณะเผาไหมเอาเราถูกไฟคือความตายเผาอยู่ไหมนี่เราไม่กี่ปีไม่กี่เดือนไม่กี่วันเราก็ถูกไฟคือความเกิดไฟคือความแก่ไฟคือความเจ็บไฟคือความตายไฟคือความโศกไฟคือความค่ํำครวญล่าไรลํำพันเขามาแตะนํำเราเอาคุณไฟกาลังไหมบ้านคนอย่เนี่ย เรามาขอเนี่ยแปลว่าเราจะมาช่วยขนของของคุณออกไปจากบ้านเอะขนไปให้คุณแล้วไม่ได้ขนไปไหนหรอกทําไมคุณใจดําจังเราทําไมไม่ให้เราช่วยขนคุณไม่ฉลาดเลยนี่ในทํานองอย่างนี้เขามาแนะนําเราไหมเริ่มมองเห็นหรือยังคนดีใจไหมถ้ามีคนมาขอท่านมหา <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> คนดีใจ <c oughs> จะไม่เล่า <c oughs> เขาแนะนํา เออเขามาบอกความลับของเขาด้วยแล้วเขามาแนะนําว่าการจะไปสู่ปราโลกเนี่ยบ้านหลังนี้ไฟมันออกระแสชีวิตเนี่ยผมคนเล็บฟันมันถูกไฟไหม้ดูเที่เนี่ยแต่ก่อนผมผมไม่ได้ขาวอย่างนี้นะอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยไฟมันไหมท่านอาจารย์ที่นั่งนั่งกันอย่เนี้ยขอไฟผ ม, ผมขาวกันเยอะเลยยังไม่รูอันนี้แปลว่าไฟมันไหมไหมเนี่ยแล้วไฟไหมทําไมมานนอนเฉยอยู่ไม่ยอมขนของออกจากบ้าน ฉะนั้นกลับไปขนออกจากกุติให้หมดใช่ไหมล้วประกาศเลยประกาศเสียงตามสายบอกว่าท่านทัน้งหลายฉันจะแจกทานกุศลแล้วว่า ง, งั้นนะว่า ง, งั้นนะขอเชิญสงฆ์มาจาก จ, าก จ, ากจากตุรทิศว่า ง, งั้นเธอเราจะเปิดประตูกุฏิเนี่ยห้าประตูสิบประตูว่ก ง, งั้นเธอใครอยากได้อะไรจงมาเอาเพราะบ้านหลังนี้ไฟมันไหม้ไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันไหม้แล้ว ใช่ไหมละ่ะอันนี้เรื่องจริงพระพธธาะบริษัทคิดแบบนี้ไหมคิดแบบนี้นะนี่ไม่ได้พูดยกเมฆนี่พูดตามคําสอนเลยนะเนี่ยตามคําสอนเป็นแบบนี้นะครับก็ไฟมันไหม้จริงๆใช่ไหมแต่บางคนไฟไหม้ก็ยังนอนเฉยอยู่เนี่ยเออแปลกมากใจเย็นจริงๆเอ้ยใจเย็นหรือไม่รู้ไอ้ใจเย็นก็นไม่รู้นี่มันเดียวกันไหมอันนี้ไม่ใช่ใจเย็นนะเขาเรียกไม่รู้ไม่รู้ว่าไฟมันไหม้ใช่ไหมละ่ะ นั้นกลับไปก็ไขกุญแจก่อนจะออกจากกุติก็บอกว่าเลยเอาไม่ต้องมาขอใครอยากได้ก็อยากหยิบก็หยิบปะเนี่โยโพยสัตว์เป็นแบบนี้ยิงนะโพยศัต์เนี่ยกลับไปโอ้โหเครียดเลยนึ่มือน่าจะเหลือให้สักชิ้น <c oughs> อันนี้ไม่เป็นนะถ้าเป็นเงี้ยทานกุศลยังไม่เดินแนละ้วถ้ารักแสดงเงี้ย <c oughs> ฉะนั้นก็บอกเป็นสหายนะช่วยขนของของเราออกไปจากโลกนี้เขาเป็นสหายของเราคนที่มาขอถ้าพระข อ, อยังไง ร, รู้ไหมโยมพระก็ตอนเช้าก็ถิดบินาบาตรเดินไปอาการที่ท่านยืนนิ่งๆอาการที่ท่านเดินโดยการสงบเนะี่ยคือการขอเั้นพระนี่คือผู้ขออย่างนี้เขาเรียกขอแบบพระอริยะการยืนนิ่งๆหน้าบ้านเนะี่ยพระอริยะท่านขอแบบนี้ท่านไม่ได้ขอแบบเอ๋อโวยวายแบบมหาราชามหาราณีท่านไม่ขอแค่หร้ย นัน้าพระก็จะอาการขอของท่านก็ขอแบบนิ่งๆ น, นี่เขาเรียกขออย่างพระอริยะพระอริยะท่านขอแบบนี้แหละเป็นสหายช่วยขนของเราออกไปจากโลกนี้นะคนที่มาขอของเราเนี่ยนะครับเป็นสหายว่างั้นเดอ้อเป็นที่เก็บของซึ่งไฟไม่ไหม้ที่ขนออกไปว่างั้ น, งนั้นถ้าเก็บไว้ในบ้านเนี่ยเก็บไว้ในโลกแบบนี้ไหม้หมดจะมีที่สักร้อยไร่ก็ไหม้พันไร่ก็ไหม้มีทั้งแผ่นดินก็ไหม้นะครับ ฉนันเก็บไว้ทำไมหมดคนฉลาดเก็ขนกลับไปไปสู่ปราโลกเขาเบีดเสร็จเขาฉลาดเกิดมาพบไหนเขาก็สลดเขาก็สละเขาก็สลดลักษณะอย่างนี้คือพระโพะธิสัตว์นะครับการฉลาดแท้ที่จริงเนะี่ยถ้าฉลาดพลิกมุมหน่อยแค่นั้นเน่ยเดินทางกุศลได้หมดฮนะถ้าไม่ฉลาดเรียบร้อยก็นั่งเฝ้าไปเป็นตุ๊กแกบ้างเป็นจิ้งหรีดบ้างเป็นเออเป็นไส้เดือนบ้างโอ้เวลาไปเกิดเป็นไส้เดือนโง่อีกนะเขาพายนะไส้เดือนมีนคิดยังไงรู้ไหมท่มานมหา ว่ารู้ไหมว่าไส้เดือนมันคิดยังไงอมีในคําสอนนะไส้เดือนมันคิดว่ามันจะค่อยๆกินดินมันเสศษด้ายดินมันเป็นเจ้าของเป็นดินว่างั้นถ้ากินแล้วดินหมดขึ้นมานยุ่งว่างั้นมันก็ค่อยกินแี่ละเน็ดละเน็ดไอ้ความคิดมันขนาดนั้นนะเพราะอะไรรู้นะไหมใบจากความตนนีใบจากมนุษย์ที่ตนนีหวงแหนแผ่นดินนี่แหละน่ากลัวมากนะอีกเรื่องเรื่องมัจฉริยะเนี่ยน่ากลัวมาก นี่ไงทานเขาบอกโพยศาสตร์ท่านคิดเป็นอย่างนี้ท่านฉลาดในการคิดอย่างนี้แหละฉะนั้นน่ากลัวไอ้ ก, กรณีที่ว่าความตันหนีเนี่ยต้องรีบทําลายซะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะ้าเรานี่สบายอยู่เลยในการทําลายความตันหนีดิท่านอาจารย์ไม่ค่อยมองหน้าผมเลยว่าผมพูดคำเนี้ย <laughs> <c oughs> <c oughs> บอกโอ้โหรู้สึกวันนี้ผมอึดอัดเหลือเกินไง เพราคยพูดแต่ให้คนอื่นสลายในวันนี้มาเจอให้คนพูดให้เราสลายเนี่ยรู้สึกเครียดเล ย, ม ย, เยไม่เครียดไหมแท่นยันเครียดไหมไม่เครียดเพราะยังไงก็ไม่สลายอยู่แล้วเลียกยังไงโอสาทุเลยเนี่ยสาสาวสาทุพ ร, ร้อมกันหน่อยได้เนี่ยเม<อ>ื่อกี้เห็นใครบอกว่าเห็นเห็นมีพระบอกว่าจะจองสมเด็จว่าระคังก่อนนะเรื่องอ๋อ แสดงนี <laughs> ่ออเป็นอย่างนี้เราคงเพิ่งรู้ว่าอเขาเาเาชอบพระสมเด็จกันเลสมเด็จวัดระฆังใช่ไหม เอ้ตรงนี้ต้องมาวิจัยกันใหม่แล้วว่าสาระอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องคุยกันต่อเนีย่ยงานเนี้ยไอย้สาระคมยังไม่ผ่านนะเนี่นยงานเนี้ยเนีย่ยก็เ <c oughs> ขเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันอย่างนี้แหละถ้าสละได้วันไหนนะท่านอาจารย์นะจะเป็นปิยะทานังสุดยอด นี่จะเป็นปียาทานนางสุดยอดเลยงานเนี้ยเออตอนนี้นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอ่าผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมไปผมไปที่เชดวันเนี่ยนะมีโยมท่านหนึ่งไปด้วยแกรักของแกมากอ่หลงปูทวดรุ่นเก่านะรุ่นเก่าแกจะคล้องกับคอใช่ตอนนี้ก็ไปที่นั่นแหละ ไอเชตาวันมาวิหารนี่แหละผมก็บรรยายเนี่ยผมก็บอกวันนี้เราเนี่ยถึงสารณะพุทธังสารนางกฉามีธรรมังสรนางกฉามีว่างั้นเด้อลองนึกดูที่ในชีวิตของเราเนี่ยเรารักอะไรมากที่สุดเนี่ยนั้นถ้ารักเนี่ยเรารักพระธเจ้าก็รักวัตถุชิ้นนี้เนี่ยว่าอันไหนมากกว่ากันห่วงานอากล้าไม่ล่ะถ้าเรารักพระเจ้าจริงจงกล้าถวายพระเจ้าไหมก็อธิบายไปเลยว่าให้ปิญาทานังอธิบายน้ำนองเนี้ย ไอโยมเขากล้าจริงนะเขาเขาคิดอยู่สักประมาณสักสิบกว่านาทีเนะนี่ยน้ําตาแกคลอเบ้าเลยเนะี่ยแล้วแกก็นั่นมาตัวท่านอาจารย์เนะี่ยผมถวายเลยไม่ใช่ถวายพระด้วยนะถวายไว้นั่นแหละในวัดเชในอุโบสถเนะ่ยของในในในที่ประทับพทธเจ้าด้วยแหละพระคณกดีนะอ่ะถวายวางเขาไว้โอ้โหแกว่าแกชื่นใจมากพอถวายเสรนะ็จเนี่ยแกบอกเมย์แกหนักมานานแล้วเนี่ยหนักมานานแล้ว จำได้ไม้มสมเด็จสมเด็จพระสังฆราชปา๋าใช่ไหมจำได้ใช่ไหมสมเด็จป๋าที่เรียกกันเนี่ยยุ ก, ก่อนใช่ไหมเนี่ยแกรักแ ก, ก, แกมากชิ้นหนึ่งรู้ไหมไอ้ป้านน้ำชารุ่นเก่าเป็นสมัยของจีนรุ่นเก่าเลยแล้วเ็าจะมีคนคอยดูแลชงน้ำชาตลอดแล้วแกจะบอกจับดีๆนะเนี่ยตกราคาแพงมากทุกวันแกก็จะพูดย้ำอยู่อย่างเนี้ย แล้วเพอเอิญมีอยู่วันหนึ่งไอ้คนดูแลคนเฝ้าเฝ้าท่านเนี่ยนะไปล้างอีท่าไหนครับหลุดมือให้แตกโอ้โหตายแล้วแกว่าหัวขาดเนี่ยงานะนี่ก็าว่าเนื้อคอขาดเนี่ยีมสมเด็จป๋าก็ออกมาว่าตอนเช้าแกก็นึกในใจโหทำไงแกคานปุ๊บปุปปป๊ไปเนี่ยไปกราบกราบเท้าบอกว่าเจ้าประคุณสมเด็จ ด, ดวงนันบอกว่าบอกว่าทำมะ ว่าว่าแกเองเนี่ยทำปานน้ำชาแตกแล้วแกอึกเลยนะแกอึกขึ้นมานะนิ่งอยู่ประมาณสักสามสี่นาทแีแล้วแกก็ถอนหายใจหักใจเลยแกบอกเออล่งใจไปทีครับอกาอมันมันแกบอกว่าเนี่ยมันแกแกหนักใจันมานานนะ่ะท่านอาจารย์ลองสลาดดูทีจะโล่งใจเลยอันนี้รจริงอันนี้ แต่วิธีสละทำไงรู้ไหมเอาไปถวายไว้บูชาพระธาตุาาใช่ไหมล่ะเอาใส่ไว้ข้างในเลยก็ได้เอาไปเฝ้าพระบรมสารีริกธาตุก็วมันลักมากกว่างั้นนะถวายพระเจ้าเลยเนี่ยใช่ไหมอย่างที่สุดยอดไม้มนี่ <laughs> เอาแล้วเดี๋ยวต่อไปดีกว่าเดี๋ยวมาวนๆอยู่กับสมเด็จวันละครนี่ไม่ดี <c oughs> ตรงนี้ก็คือว่าเขาบอกว่าเป็นเป็นที่เก็บเป็นที่เก็บของซึ่งไฟไม่ไหม้ที่สามารถขนออกไปได้ว่า ง, ง้นเดือดแต่เราสละแล้วเนี่ยของแบบนี้ไปนะที่ไหนก็ตามเราไม่มีปัญหายิ่งเก็บก็ยิ่งยิ่งเสียหายแต่ยิ่งสละอา้าวกุศลนี่มันก็ตามตามส่งผล เมือนยถ้าพูดไปเนี่ยเาเดี๋ยวหาผมนิวเอ๋อผมดําริว่าเอออยากจะได้เนี่ยเดี๋ยวก็มีคนมาให้เรื่องอย่างสมเด็จว่าระครังเรื่อยไรเนี่ยนะมีคนมาขอขอเบสเร็จผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองคิดดูว่างนะั้นพอคิดเบสเรนะ็จเนี่ยแล้วมีคนเอามาให้จริงนะเนี่ยแล้วแล้วผมก็ผมก็ให้เข้าไป แต่ไม่รู้จริงหรือปลอมไม่รู้นี่พระผมดูไม่เป็นผมไม่รู้เรื่องเรื่องเลยเนี่ยนะแต่ว่าว่าผมมันมันสิ่งของต่างๆเหล่านี้ก็คือถ้าเรากล้าสละเนี่ยง่ายของเราเนี่ยนและเป็นกัญยาณมิตรอย่างยิ่งนะเพราะว่าความเป็นสหายในกรรมงามคือทานเนี่ยนะถ้าถามว่าใครคือกัญญาณมิตรที่แท้จริงเจตนาทานนั่นแหละเป็นกัญญาณมิตรที่แท้จริงเป็นสภาวะธรรมนะครับคือจิตที่คิดจะให้ อ, อโลภาทาน น, ะ น, ะนะั่นแหละคือความไม่โลภในวัตถุสิ่งของ อโทสาทานคือความไม่โกรธแล้วก็มีปัญญาในการสละในการให้รู้เหตุและผลเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรว่วงนั้นเถอะเพราะเป็นเหตุให้ถึงพุทธภูมิที่ได้อย่างยากยิ่งเลิศ ก, กว่าสมบัติทั้งปวงเราสิเราจะถึงสาวกพุทธะก็มาจากการให้ทั้งนั้นแหละครับปัจเจกับพุทธะก็ต้องสละต้องให้ทั้งนั้นแหละวัตถูกิเลสเนะี่ยยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมกิเลนะสเนี่ยสละยากยิ่งกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งอีกจริงไหมยิง ฉะนั้นก็วัตถุกเช่นนี้สละไม่ได้โอ้โหกิเลสนกิเลสนี่ละเอียดตั้งใละยังไงเนี่จจะะ ย, ยนี่ใช่ไหมเราฉะนั้นถึงบอกว่าพุทธภูมิทั้งหมดไม่ว่าสาวะกะภูมินะปัจเจกภูมิแล้วก็สัมมาสัมพุทธะสมบัติเหล่าเนี้ยซึ่งได้ยากที่สุดทำไมไม่กล้าที่จะแกกลกในกาสรสละอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งเขาบอกให้เข้าตั้งให้ตั้งเขา้าเข้าไปตั้งความน้อมน้อมน้อมไปในการบริจาคบอกว่าหนึ่ง ผู้นี้ยกย่องเราในกรรมมันยิ่งวังนั้นเพราะฉะนั้นเราควรทําความยกย่องนั้นเป็นความจริงนะก็แปลว่าคนที่มาขอเราเขาไม่ยกย่องเราเขาไม่ใช่เขามาเบีเาาเยดเบีาาเยน เ, าาเราบางคนคิดเครียดไหมถ้าคิดว่าเขามาเบียดเบียนเราเนี่ยเครียดไม่เครียดเสมมติถ้าเขามาขอของเราว่าอีกคนคนี้มาเครยียดมามาเบียดเบียนเราเนี่ยแท้จริงเขามายกย่องเรายกย่องกรรมงามของเราว่าอ้าวท่านผู้นี้ต้องการจะเดินไปสู่ทางพ้นทุกข์นี่ ฉะนั้นกรณีอย่างนี้พระโพธิสัตว์ท่านคิดอย่างนี้นะครับประการต่อมาเขามาเองได้บุญของเราเนะพอะพระโทธศาสัตว์ท่านคิดเพราะท่านตั้งอัธยาศาัยว่าจะจะให้ใช่ไหมจะสละใช่ไหมฉะนั้นเวลาสิ่งต่างๆที่ลุมเร้าเข้ามาหาท่านเนี่ยมาได้บุญของท่านเพราะผู้มีอัธยาศัยใหญ่ต้องหาผู้รับจริงไหมครับถ้าโอ้โยอย่าลืมนะแต่วันใดวันหนึ่งเราไม่มีคนรับทานของเราเนี่ยเราจะเครียดมากเช่น หาทักคินายบุคคลไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราเกิดมาไม่มีสง์เนี่ยครับอย่างเงี้ยญาติโยมเนี่ยถ้าเกิดมาแล้วพระสงฆ์ไม่มีรับทานของโยมแล้วโอ้โหโยมเสียหายมากใช่ไหมล่ะเออจะชื่นใจยังไงเอา้าระหว่างให้กับพวกฆราวาส ด, ด้วยกันเองที่มีศีลระดับฆราวาสอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะโอ้โหอย่างเงี้ยเป็นบุญยราบไหมแต่ถ้าไม่มีาศาสนาของพระชินอาจานะหมดสิทธ์ อย่างนี้เป็นต้นเพราะผู้มีอธัธยาศัยใหญ่เนี่ยนะักปรารถนาใหญ่ๆคนปรารถนาพ้นทุกเนี่ยทุกระดับต้องหาผู้รับเพราะ ง, งั้นเถอะถ้าไม่มีผู้รับทานของตนเองตนเองจะพ้นทุกอย่างไงใช่ไหมครับเหมือนที่เราสร้างวัดวาอารามอะไรทั้งหลายถ้าไม่มีพระมาอยู่มีแต่อีแรงมาอยู่มีแต่อีกามาอยู่มีแต่นกมาอยู่หนูมาอยู่แมวมาอยู่ชื่นใจไหมครับ เราต้องการให้สงมาจากเจตรุรทิแต่ที่ไหนได้เปิดไปก็มีแต่ยุงบ้งแมลงวันบ้างมีแต่จิ้งจกตะแก่บ้างมาอยู่เต็มไปหมดมีแต่แขกไม่ได้รับเชิญทั้งนั้นเลยอย่าเงี้ยโอ้เครียดตายเลยนะเราต้องการสร้างวัดให้สง์ในจตุรทิดมาดูมาอยู่ม า, ม า, ม, า, ม, ามาประพฤติปฏิบัติใช่ไหมครับจริงไหมท่านอาจารย์าจริงไหมนี่ไงผู้มีอัตยาิสายใหญ่เนี่ยต้องการให้คนมีรับมารับทานของเรามาใช้สอยสิ่งที่เราได้เจริญกุศลอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น นั้นจึงบอกว่าจึงได้ให้บุญของเราเนี่ยผมก็ บ, บอกว่าเพราะผู้มีอัธยาศัยใหญ่ต้องหาผู้รับจึงจะได้ให้บุญของเรางนั้นเถอะทีนี้การอนุเคราะห์ของเราเนี่ยโดยมุ่งถึงการให้แก่ผู้ผู้ขอนะครับโดยมุ่งมุ่งมุ่งแต่ต่อผู้ขอเราควรอนุเคราะห์โลกแม้ทั้งหมดนี้เหมือนตัวเราก็แปลว่าอนุเคราะห์คนอื่นนะเราตื่นขึ้นมาเราหิวน้ำถ้าคนอื่นก็หิวอ่ะ ฉะนั้นถ้าเราอนุเคราะห์ตัวเองอย่างไรก็ควรอนุเคราะห์คนอื่นอย่างเรานั่นแหละว่างั้นเถอะเราตื่นขึ้นมาเราต้องใส่เสื้อผ้าใช่ไหมเอา้าเราคนอื่นเขาไม่มีเสื้อผ้าเราก็ควรจะให้เขาเราตื่นึ้นมาเนี่ยเรามีกุฏิหรือมีบ้านอยู่ดีๆเงี้ยเอาคนอื่นเขาก็ก็อยากจะมีอย่างนี้แหละเราก็ควรจะอนุเคราะห์คนอื่นด้วยเห็นไหมวิธีคิดของว่าบริ ษ, ษัทคิดบกว่าเราเราหิวข้าวเราหิวน้ําเราร้อนเราก็หาที่เย็นๆอยู่ใช่ไหมเรา Off, แดดออกเราก็อยากจะอยู่ล่มเงี้ยเราก็ควรจะอนุเคราะห์คนอื่นเหมือนอนุเคราะห์ตัวเองเหมือนการดูแลตัวเองเนี่ยลักษณะของบริษัทท่านจะคิดท่านจะวิจัยในกรณีแบบเนี้ฉะนั้นการอนุเคราะห์อของเราเนะี่ยมุ่งมุ่งการให้ดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยเมื่อผู้ขอไม่มีทานบา ร, รมีของเราจะเต็มได้อย่างไรนี่ท่านเตือนตัวเองนี่นะเอาถ้าไม่มีผู้ขอแล้วทานบา ร, รมีจะเต็มได้งไงฉะั้นทานบา ร, รมีเนี่ยถ้าทานบา ร, รมีไม่เต็ม อ้าวศีลบารมีเน่ขมะจะขึ้นยังไงเนี่ยเราจะเจริญบารมียังไงอะไรเป็นบารมีกันแน่ใช่ไหมเราฉะนั้นมันก็จะต้องมีผู้ขอนี่แหละว่างั้นเถอะมันก็ต้องมีผู้ขอนี่แหละทานบารมีของเรามันจะได้เต็มวันนี้ยังไม่เต็มวันนี้ยังบกพร่องมากเรายังให้น้อยมากคิดไปแล้วยังไม่ประทับใจเลยเราก็ลองมานั่งพิจารณาพระษษพุทธศสนาท่านก็พิจารณานะวา่าอะไรเนี่ยมันชื่นใจว่างั้นเถอะให้สังเกตเถอะท่านอย่าพิจารณาท่านทุกวันทุกวันทุกวันแล ไปเบสเสร็จถ้าอย่างสำนวนอย่างคนทุกวันนี้เวลาให้อะไรมากลับมาก็บันทึกบันทึกบันทึกบันทึกแลาา้วก็มาอ่านดูมาอ่านวิจัยวิจัยดูมันชื่นใจบ้างไหมวันนี้วันเนี้ผ่านมาเนี่ยมีไหมอะไรมันประทับใจบ้างว่านั้นเจอทานบา ร, รมีอันประทับใจบ้างก็พิจารณาดูเงี้ยนี่ น, นี่เป็นอย่างนี้ก็เนี่ยทานบา ร, รมีของเราจะเต็มได้อย่างไรประการแต่ว่าเราต้องรักษาของทั้งหมดไว้เพื่อผู้ขอเท่านั้น โอ้ยมีของทั้งหมดเปิดเสร็จก็เตรียมแล้วพระวิษณ์ท่านเตรียมนะของที่ท่านพยายามเก็บหอมรอมริษฐ์เลยทั้งหมดเนี่ยเอาเพื่อให้ถ้าเป็นคาวาสก็เริ่มยังไงนะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องแต่เขาให้เป็นทานบา ร, รมีนะเขาให้เป็นนะให้พ่อให้แม่ยังไงให้คนที่เกี่ยวข้องยังไงนั้นที่ทําทั้งหมดเหล่านี้ก็คือจ ะ, จะเจริญทานกุศลแหละนะข้าก็เริ่มขยายวงออกมาข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นก็คือเบิร์เพนทานบา ร, รมีเอาถ้ามีพระเจ้าพระสงฆ์เราก็ให้ ถวายทานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มาให้พ่อให้แม่ยังไงก็ให้บุตรภรรยาบ่าวไพริก็ไล่มาตามลําดับสรุปก็คือตั้งใจในการยืมมาเป็นบารมีนั่นแหละเราควรรักษาของทั้งหมดไว้เพื่อเพื่อเพื่อการสลับเมื่อผู้ขอไม่ไม่มาขอเราถามว่าถ้าคนที่เขายากจนหรือคนที่ไม่มีนะครับเหมือนพระเนี่ยถ้ามองเรื่องพระเนี่ยว่างงั้น เมื่อเมื่อผู้ขอไม่ไม่ไม่มาขอเราเนี่ยเขาจะหยิบเอาของเราไปเองตอนไหนนะครับนี่อย่างพระเนี่ยท่านจะเอาพระท่านมาท่านมายืนนิ่งๆเนี่ยครับใช่ไหมพวกเราบินฑบาตไปยืนนิ่งๆเนี่ยประเด็นมันอยู่ว่าเอา้าแล้วถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไม่ให้อ่ะท่านจะมาหยิบเอาได้ไงใช่ไหม ท่านก็หยิบไม่ได้อที่ยอมยมก็ต้องคิดทุกวันนี่เห็นไหมยอมบำเพ็ญทานอัารมีกันไม่เป็นนะคนใส่บาทน้อยเดินผ่านไปสิบหลังที่ใส่แค่หลังเดียวเผลอๆบางทีผ่านไปตั้งสามสิบหลังใช่ไหมผมมาบินทบาตไอเนี่ยบินทบาทนี่เนี่ยผมผมมาอินเดียททลัยผมอยอมมาบินทบาทแต่มาจากนี้ไม่ได้บินเลยทุกครั้งเี๋ผมมาทลัยท่านจะออกบินทบาทเออเวลาผมไปบินทบาทเนี่ยผมไปยืนที่จริงการยืนเนี่ย การยืนนานๆมันไม่ได้ผิดวินัยนะเพราะมนสิการอยู่ว่าเขาจะให้เขาจะเขาจะเขาจะให้เนี่ยทีนี้กฎไอ้กฎในในในสังคมเนี่ยของบ้านเราเวลามาออกกฎเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าพอหลังแปดโมงแล้วน่ะไม่ให้บิณธบะเงี้ยเพราะจริงๆท่านในสมัยข้ามพุทธการเนี่ยเขาบิณธบาทตทั้งสองต้องหลายเวลานะตอนเย็นตอนบ่ายเขาบินธบาตได้ใช่ไหมครับ เอาได้บินทบาตน้ํามันครับบินทบาตน้ํามันแล้วก็บินทบาทยานะครับบินทบาทยาอย่างนี้เป็นต้นงั้นแต่หลังเที่ยงไปแล้วเขาไม่ได้บินทบาทข้าวนะ <c oughs> บินทบาทพวกน้ํามันเอยพวกยาเอยอะไรเงี้ยนี่ในสมัยเขาพุทการเนี่เป็นแบบนี้แหละการบินทบาตเออเออผมก็นึกว่าเออคนแขกเนี่ยเขาจะใส่บาทไหมผมไปที่เดลีผมไปอยู่เดลีหลายวันนะผมก็ไปบินทบาทนะครับ ไปบินธบาติเขาไม่รู้เรื่องเลยเนะี่ยในเดนลีนี่นะผมก็เดินเดินเดิ น, เ ด, นเดินไปออาก็เอายมโยมที่ไปด้วยยอมที่ไปด้วยก็คุยเราก็คุยได้บ้างไม่ได้บ้างเนนะืเอไปเปีดเสร็จเขาก็ถามวันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยบ่างั้นแค่์เขาถามแล้วเขาบอกวันนี้พระบอกงั้น เ, เขามาเยือนทําอะไรอ่ะเขาบ่างั้น อ๋อพระบินทบาทก็อธิบายเขาฟังว่าเออย่างนี้คือบินทบาทยังไงนักเข้านักเข้าเขาก็เออมาคุยคุยได้สักพักหนึ่งเขามารับบาสนะครับรับบาสเบสเสร็จเขาก็บอกภรรยาเขาแล้วก็เอาก็น้ําชามามานั่งคุยคุยกันเราดินะเขาก็รับบาสเขาไปข้างในนั่นแหละเขาบอกก็พระชันย์ยังไงก็ถามเบสเส็จนั้นแหละใส่ได้บาสนั่นแหละว่างั้นเธอเขก็เอาเอาอาบาสไปใส่แล้วก็คุย กว่าจะออกจากบ้านบ้านนั้นได้เนี่ยปาเขาไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยนะเขาก็คุยคุยเบ็ดเสร็จก็เลยบอกเขาอธิบายให้เขาฟังบอกว่าคุณรู้ไหมเดนลีเนี่ยคือแต่ก่อนนี่คือเมืองอะไรเขาผมไม่ทราบก็เลยบอกให้เขาฟังว่าเดนลีแต่ก่อนนี่คือแฟนกูรู้กูรู้ัฐเนี่ยในยุค ข, ของพระเจ้าโครพญาใช่ไหมล่ะพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เรียกกูรูทั้งนั้นเองพระรัฐปาละก็เนี่ยมาจากเมืองนี้แหละ ทำไมจึงเชื่อเมืองกุรุลัตการทีบายเขาฟังนู่นชักเรื่องยาวเขาฟังตั้งแต่พระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยในยุคนั้นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิท่านก็ส่งจากไปที่ท่านก็ไปท่านก็ไปที่นี่แหละอุตรากุรุทวีปนี่ประชาชนในเมืองนั้นในในโลกใบนั้นในอุตรากุรุทวีปนี่อยากจะมาเที่ยวชมพูทวีปเพระเาะอยากจะมาเที่ยวชมพูทวีปเบสเสร็จป๊บก็มาด้วยอำนาจทังจักของพระราชา พอมาเบสเสร็จตอนนั้นต่อมาพระเจ้ามันธาตุราชเนี่ยท่านมีความทยานอยากมากท่านก็ไปปกครองชั้นจาตุมชั้นดาวดึงเป็นต้นที่ส่วนจริงท่านตายก่อนใช่ไหมล่ะเพราะอยุไขท่านท่านตายเบเสร็จเลยยังไม่ทันส่งไม่ได้ส่งชาวกุรุรัชนี่กลับก็กลับไม่ได้เพราะพระราชาพระเจ้าจักรพรรดิสวรรคตแล้วเนี่ยนะเบสเสร็จก็เลยอยู่สืบเชื้อสายมาตามลําดับเขาก็เลยตั้งตั้งที่เดลีในยุคนั้นว่าเป็นกุรุฟานกุรุ ต่อมาพวกบรมศา ส, สดามาตัสรุ่นุตตะสัมมาสัมพธิญาณใช่ไหมพุทธเจ้าก็เอจะไปประกาศสติปฐานสูตรเนะที่ไหนนาะก็อ้อนี้แหละว่างั้นนะพุทธเจ้าก็ว่าชาวกุรุรัฐเป็นคนมีปัญญามากอุตุก็สปายะว่างั้นเธออาหารก็สปายะบุคคลก็สปายะโคจรสถานที่เดินบินบาตรเป็นต้นก็สปายะเป็นต้นอาวาสก็สปายะและโดยเฉพาะก็คือว่าธรรมะที่จะสปายะกับคนกุรุรัฐก็ต้องสติปฐานสี่ พระเจ้าก็แสดงกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาอัติปฐานเห็นไหมพอแสดงเบสเสร็จปุ๊บผลปรากฏว่าในแคว้นกูรูก็เลยเล่ายอมเขาฟังว่าในแคว้นเนี่ยแม้แต่บริโรงงานทอผ้านะแม้แต่โรงงานทอผ้าแม้แต่โรงงานกิจการใหญ่โตทุกแม้แต่คนแม้แต่คนตักน้ำคนหาคนหาฟืนเนี่ยในท่าน้ำํำแต่เขาจะไม่คุยเรื่องอื่นกันเลยเขาคุยเรื่องกรรมฐานกัน เออถ้าหากว่าไปเบรศเสร็จจะไปถามบอกว่าเออเนี่ยเธอเธอมาณศิการกรรมาฐานหมวดไหนถ้ามีคนบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้มณ ส, สิการเลยคนคนนั้นจะถูกตําหนิจะถูกตําหนิอย่างมากเลยว่าทําไมชีวิตเป็นอยู่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆอยู่อย่างประมาทแท้แบงนั้นนะแล้วทุกคนก็จะพากันมาหลุมแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าพระเจ้าในอุบัติเกิดขึ้นมาเพื่อเธอโดยแท้นะอย่าประมาทอย่างนี้เป็นดัน่นที่สุดจริงๆเขาก็จะกลับเนื้อกลับตัว อย่าว่าแต่มนุษย์แม้นจะไปตักน้ําเลยแม้นกแขกเต้าอ่ะใช่ไหมนกแขกเต้าซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานยังเจริญกรรมฐานเลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยในสัตว์เดรัจฉานก็เจริญกรรมฐานที่ว่านกแขกเต้าไปอยู่ในสำนักของนางภิกษุณีนางภิกษุณีเฮ้ยเขาลืมไว้ไงมันพูดได้นกแขกเต้าตัวเนี้ก็เลยถามว่านกแขกเต้าตัวเนี้อยากกันนั้นเลยเธอมาอยู่ในสำนักของบัณฑิตเนี่ยอย่าอยู่เฉยเฉยเลยว่างั้นนะนางภิกษุณีก็เลยบอก ให้เจริญกรรมฐานวิธีให้เจริญก็คือให้ใ ห, ให้ท่องอัติอัติอัติกรรมฐานเนี่ยว่าไงอัติสัญญาให้ท่องอ่ะอัติปฏิกูลังอ่ะว่าไงน่ะอัตก็ถือให้ท่องกระดูกกระดูกกระดูกให้ท่องเนี้ยนะครับกระดูกกระดูกกระดูกให้มีมนตรสิการให้มีสัญญาเป็นกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกไอ้นอกตัวนี้ก็ท่องกระดูๆๆๆๆกกระดูกกระดูกกระดูกไอ้นกในนั้นะท่องกระดูกกระดูกกระดูกมันเรื่อยๆอเบ็ดเสร็จมีอยู่วันหนึงนะ มีหลายหลายเดือนแล้วต่อมาเนี่ยเหยี่ยวตัวหนึ่งมันมันบินมาไม่นก็เห็นนกตัวเนี้ยมันก็เฉียวปุ๊บมันก็ร้องแก้แ ก, แก้แก้ไปนิ่มนะนางพิกษุนีหลายก็ช่วยเอาไม้เอาทุกท่อนดินเนี่ยก่อนดินขว้างไอเหี่ยวก็ปล่อยนะบินไปได้ไกลส่วนหนึ่งก็ปล่อยปล่อยออกมามันก็เอก็รีบไปจับมาไอ้นกตัวนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวเลยก็เลยถามบอกว่าเออถามว่าถามนกตัวนี้บอกว่าชื่อเขาชื่อ สุธรรมมาอะไรเนี่ยเขตั้งชื่องเงี้ยนะบอกว่าเออเนี่ยตอนที่เหี่ยวมาเชี่ยวจับจับเธอไปเนี่ยตอนนั้นเธอคิดยังไง น, นกมันคิดไงรู้ไหมบอกว่าอ๋อกระดูกกองใหญ่มาจับกระดูกกองเล็กแล้วก็บินไปมันเห็นเป็นกระดูกแล้วมองมาที่พื้นแผ่นดินก็มีแต่กระดูกเรียรายเต็มไปหมดว่าไงว่าขนาดนกแขกเต่ายังจเจริญสติปัฏฐานว่างไนก็เลยบอกว่า อย่าว่าจะ่อย่าว่าจะมนุษย์เลยในแฟว้นกูรูเนี่ยเขาเจริญกรรมาฐานกันทั้งแคว้นพอที่บายเขาฟังบอกรู้ไหมหยอมเนี่ยเกิดในแคว้นที่คนมีปัญญาวยมตื่นเต้นอยอะไอ้ยอมคนเนี้ยนิมนนิมนตให้ไปฉันอาหารทุกวันเลยปกตินิมนเข้าไปในบ้านเขาเลยนะไอ้ที่หนักไปกว่า น, นั้นอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าท่านจะมาอยู่ที่นี่ไหมเขาจะสร้างวัดที่เดลียังไงวะแม่ไม่เอาเลยวะโห้ไม่ไหว เขาว่าเขาจะหาที่เขาบอกงั้นเขาจะหาที่สร้างวัดที่เดลีมั้ยเอาไหมครับอยากได้มั้ยครับใต้จานอยากได้มั้ยฮะมีโคราชก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาที่เดลีเผยแผ่ศาสนาที่แควานกุลุที่แสดงสุติปัฏฐานสูตรน่าสนใจไหมล่ะแต่นี่หลายปีแล้วนะไม่ได้ติดต่อยเลยเนี่ยเขาอยากจะหาที่ไง อย่างนี้เป็นต้นทีนี้การท่านละมองมองอย่างนี้ก็คือว่าทานบารมีของเราเนะี่ยท่านท่านพิจารณาบอกว่าเมื่อยาเมื่อผู้ขอไม่มาขอเราเขาจะหยิบไปเองได้แต่ที่ไหนเราพึงเป็นที่รักและเป็นที่ชอบของบุคคลที่ขอแท้ยอย่างไรอย่าลืมนะว่าเออในสังสารวัฏเนี่ยวิจารณาอย่างนี้นะวิธีพิจารณาคือว่าเออวิธีพิจารณาคืออย่างนี้พระโพธิสัตว์ทําไมต้อง ต้องเดินทานบารมีอย่าแปลกใจว่าทําไมเราถึงมีความรักในพระพุทธเจ้าเราเคยรับทานบารมีของท่านมาไงครับฉะนั้นท่านก็จะเดินทานบารมเีเพื่อจะได้ให้สัตว์โลกทั้งหลา ย, ยรักรักในพระพุทธเจ้าครับรักอัตยารัยที่เคยรับของเคยเคยอะไรต่างๆเราเนี้ยที่พระโพธิสัต์ท่านบําเพ็ญมาที่ท่านเดินมานั่นแหละเป็นปัจจัยว่างั้น เราควรรักษาของทั้งหมดดังที่ได้ท่านกล่าวไว้ว่าเราพึงเป็นที่รักและเป็นที่ชอบใจเขาได้อย่างไรผู้ขอเหล่านั้นน่ะพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราได้อย่างไรก็คือมันเอื้อกันนะเป็นอัญญาอัญญาปัจจัยก็แปลว่าเอ๊ะเนี่ยเราจะรักคนอื่นได้เราก็ต้องให้เขาเขาจะรักเราได้ก็ต้องเคยรับของจากเราหวังนั้นเถอะการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างเนี้ยมันเป็นปิยทานังใช่ไหมครับเป็นปิยทานนังเนี่ยเป็นการให้แล้วก็เกิดความเอื้อเฟื้อเกิดความรักเกิดความ ปรารถนาดีเ อ, อื้อทอนซึ่งกันและกันนี่เป็นต้นอันนั้นละคืออัตฉริยะสายของบริษัท ท, ท่านท่านทาไว้เราเมื่อให้ก็พอใจเมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติสมมนัทได้อย่างไรท่านก็พิจารณานี่นะวะ่าเมื่อให้ก็เกิดพอใจให้แล้วก็ปลื้มใจแล้วปีติสมมนัทมันจะเกิดได้ไหมในการให้ ผู้ขอทั้งหลายเนี่ยของเราเนี่ยพึงเป็นอย่างไรเราจึงจะเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวางท่านพิจารณาว่าเออเนี่ยทํำยังไงเห็นของทุกอย่างเราจะมีอัธยาศัยที่คิดวางแผนในการที่จะให้อย่างกว้างขวางก็ปแปลว่างี้เพราะบริษัทเนี่ยท่านมีของน้อยเนี่ยท่านก็เริ่มวางเป้าหมายของการให้นะครับวิธีวางเป้าหมายยังไงท่านถึงไม่ได้ให้สเปซสปะนะครับหนึ่งก็คือให้กับ พระพุทธเจ้าให้กับสาวกพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้นัเข้านัเข้าก็แจกก็เหมือนเราดูอย่างอนาถานะครับอนาถ้าต้องการอยากจะรู้เรื่องทานบารมีเนี่ยเอาประวัติของอนาถาพินิการเศรษฐีมาดูเพราะอนาถาพินิการเศรษฐีเนี่ยบำเพ็ญทานบารมีประดุจดังพระโพธิสัตว์ครับนั่นแหละดูอนาถาพินิจการเศรษฐีครับนั่นแหละอันเดียวกันเลยอัธยาศัยของนาถาพินิจกาเศรษฐีกับพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญทานบารมีเป็นอัธยาศัยเป็นอัธยาศัยเลยเนี่ย แจกขนาดจนก็แจกครับแต่จนขนาดไหนก็ไม่เคยให้ของที่เศร้าหมองแก่พระสงค์แก่พระพุทธเจ้าเว้นไว้แต่พวกบุคคลทั่วไปที่เป็นฆราวาสท่านก็ให้ถึงขนาดบอกกับพระพุทธเจ้ามีอยู่ข้างหนึ่งตอนนที่ท่านยากจนเห็นไหมเพอยากจนเบียดเสจท่านบอกท่านให้ของเศร้าหมองให้ข้าวปลายเกวียนเป็นต้นว่างั้นเดอรอย่างนี้ก็บอกว่าเออทานของท่านเศร้าหมองไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเจตนาก็จิตที่คิดจะให้ผ่องใสนั้นจะจัดว่าเป็นทานเศร้าหมองไม่ได้ และอย่างหนึ่งก็ให้จนเทวดาในบ้านนะกโกรธเนะี่ยจางพวกเราเรถ้าให้ทานถ้าเป็นฆราวาสก็เทวดาในบ้านไม่กโกรธเราแต่คนในบ้านนะโกรธใช่ไหมเราถ้าให้มากๆคนในบ้านนะโกรธจริงไม่จริงเทวดาในบ้านนะก็เราไม่รู้อ่ะก็จะดีใจหรือโกรธเราไม่ทราบแต่ที่เห็นแน่ๆคนในบ้านนะไม่พอใจว่างงั้นเถอะงั้นวิธีให้ทานก็ต้องเป็น เมื่อทรัพย์มีผู้ขอมีการไม่บริจาคเป็นการหลอกลวงของเราอย่างใหญ่หลวงด้วยนะพระอิศรท่านคิดอย่างนี้นะเอาทรัพย์มีคนขอมีอยาจกมีคนขอมีเนี่ยการไม่ให้ก็คือการหลอกลวงอะ่ะก็ไหนปฏิญญาณตอนว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ไหนปฏิญญาปฏิญยาว่าจะเป็นพุทธะอย่างใดอย่างหนึ่งจม้าเอาอย่างรับลาถนาว่าเราจะเป็นสาวกกับพุทธะของก็มีด้วยนะว่างั้นเถอะผู้รับก็มีอยู่แต่ไม่ให้อันนี้ก็หลอกลวงนันเนะี่ ใช่ไหมเล่าเป็นการหลอกลวงใช่ไหมใช่ถือว่าหลอกลวงไหมถ้าปฏิญญาณว่าจะพ้นทุกเนี่ยแต่ทั้งๆผู้ขอก็มีอยู่ะทรัพย์ก็มีอยู่แต่ไม่ให้ซะ ง, องั้นแหละนี่พระพุทศาสนาท่านจะคิด ท, ท่านอย่างนี้นะเราพึงสละอวัยวะและชีวิตของตนแก่ผู้ขอทั้งหลายได้อย่างไรก็นีวิธีคิดเนี่ยตั้งประเด็นคําถามตัวเองแบบนี้จะทํำยังไงเราถึงจะกล้าสละเพราะงั้นเดอะ ทำไงจะกล้าสละแต่ถ้ายังไม่กล้าก็ฝึกคิดฝึกสละเบื้องต้นก็ฝึกสละเลือดในกายอะไวจากเลือดสเดือนครั้งก่อนในข้าก็สองเดือนครั้งในข้าก็เดือนละครั้งเนี้ยนะสมมุติเนี่ยก็กล้ากล้าที่จะสละแต่จริงๆก็3เดือนครั้งเลยกำลังดีอีกอย่างหนึ่งควรทําใจเกิดขึ้นโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์นะสิ่งตอบแทนว่าชื่อว่าประโยชน์นี้แต่าตามทายกผู้ไม่มุ่งหวังคืออย่างเงี้ย อาการให้ทานนะครับถ้าใครจะฝึกทานบา ร, รมีผมผมแนะนํานะมันจะมีปัญหานะครับนะท่านอาจารย์นะถ้าท่านอาจารย์ปรุงแต่งจิตประดับจิตตกแต่งจิตเป็นนะถ้าจเจริญทานบา ร, รมีปัญหาที่จะตามมาท่านอาจารย์ก็คือของมันจะหลั่งไหลกลับมาแล้วท่านอาจารย์จะจัดการมั็นยังไงอัทธัพย์มันไหลกลับมามากมายเนี่ย ถ้าท่านไม่ฉลาดกับมันนี่นะท่านจะเดือดร้อนว่าไอา้ซัพที่มันกลับมาเนี่ยมัาย้อนกลับมาเนี่ยแหละตรงนี้ท่านจึงให้วางใจว่านั้นแต่คนบำเพ็ญทานบา ร, รมีเป็นเนี่ยมันไหลกลับมาอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเชื่อไหมเนี่ยพูดอย่างเงี้ยเชื่อไม่เชื่อว่าคนเดินทานบา ร, รมีเป็นน่ยมันจะไหลกลับมามเนืองแน่นเต็มไปหมดอนะ่ะถ้าไม่เชื่อถ้ามีเวลาเนี่ยไปอยู่ด้วยกันสักสองเดือนไปผมจะพาฝึกเดินทานบารมีแล้วผมจะให้เห็นผล นี่ต้องทายเงี้ยเนี่ยสองเดือนนะเออเออสี่ห้าสิบเออเออให้ตลอดช่วยเหลือคนตลอดเออทุกวันนี้รับสารการมากกว่าเ้าอาวาสมากกวา เอนนน อ, น, น, น, อ น, นั้นขนาดไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ขนาดลองนี้ลองศึกษาในคาสอนของพุทธเจ้าแล้วมีข้อมูลแล้วให้นะครับมันจะลหลั่งไหลมาอย่างมืดฟ้ามัว ด, ดินอันนี้นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่รู้คนเรียนมีทำตั้งเยอะผมไม่รู้จักก็เยอะแยะหมดเตรงนี้ผมล้ให้จริงๆให้จริงๆให้ตอนรับเนี่ยผู้ติดให้น่ออยู่ไม่ไดนะ้แล้ว ใครปก่อสังทานท่านนี้ที่พลาดทีสางกุศทั้งหมดอ่ไปแล้วก็มาทุกวันวันเป็นยี่สิบสามิดอ่ะจริงจครับทีนี้ประเด็นเขาบอกว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหะที่บอกจะชี้ประเด็นให้เห็นก็คือว่าเวลาทานกุศลเนี่ยท่ทานอุปมาอย่างนี้นะนะครับท่านอุปมาแนะว่าเหมือนนายพรานครับนายพรานเวลาเข้าป่านะเวลาเข้าป่าเนีเเ่ยนายพรานไปยิงเนื้อนะครับ เมื่อได้เนื้อแล้วเนี่ยถามว่าในาพานเนี่ยจุดมุ่งหมายของนายพานเนี่ยเขาหวังอะไรหวังอะไรครับได้เนื้อมาแล้วเนี่ยจะต้องเอาเนื้อไปขายหวังอะไรไ<ด>หวังเงินไงหวังทรัพย์ผู้เจริญทานบา ร, รมีพระโพธิสัตว์เป็นต้นเหล่านี้หรือกลุ่มพวกเราทั้งหลายที่ปรารถนาความมั่นคงเนี่ยสิ่งที่เราหวังคือพระนิพพานซึ่งเป็นอริยทรัพย์นี่นะต้องตั้งตั้งหลักให้ถูกในาพานก็เหมือนกันเขาหวังทรัพย์ภายนอก แต่ในระหว่างทางเนี่ยในพานจะต้องเจอคือเหลือบและแมลงวันมันจะวิ่งกิน ว, วิ่งตามกลิ่นเนื้อกลิ่นเนื้อะมันตามตอมถ้าวางใจไม่เป็นจะไปราคาญมันนะเหมือนการเดิทานนะุบรารมีเนี่ยเวลาหวานลงไปเบเสร็จมันจะไหลมาเป็นทรัพ์แต่เราต้องต้องมองให้เป็นเหลือบเป็นแมลงวันนะอย่าไปมองว่าโอ้โ ห, โโหสุดยอด อย่างนี้มันจะติดเหลือบติดมแมลงวันมันไปขายไม่ทันมันจะมัวตบเหลือบตบมแมลงวันอ่ะหนักเข้าหนักเข้าไอ้เนื้อเน่าหมดไม่ได้ขายเข้าใจอย่างนี่ก็เหมือนการการเดินทา น, นบธ ร, รมีเป็นต้นเหล่านี้ฉะนั้นเป้าหมายไม่ใช่ไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกแต่หมายถึงอริยทรัพย์ภายในคือพนันธุพานนั่นแหละสูงสุดว่า ง, งั้นเธอเป้าหมายอย่างนี้แต่ในระหว่างที่จะต้องเดินไปในสังสารวัฏเห็นสังเกตดุไหมว่าบริษัทเน่ย รัย์ไหลมาจนแจกไม่หมดแจกทุกพบสังเกตดูดีท่านจะแจกอยู่เจ็ดวันเท่านั้นแหละเจ็ดวันนี่ก็พอแล้วท่านโหนถ้าแจกอย่างนี้แจกทั้งชีวิตก็ไม่หมดอย่างนั้นเลยท่านก็สละเปิดสี่ประตูแปดประตูแล้วก็รีบจาริกเข้าป่าบําเพ็ญเนคขมาทันทีเห็นไหมยังเนี่ยพราะรัพย์มันมาอยู่แล้วยังไงก็มาก็ลองเคิดดูที่มาพบสุดท้ายเห็นชัดไหมล่ะเจ็ดวันจะเป็นจักรพรรดิอีกแล้วจะปกครองโลกทั้งใบอีกแล้ว ท่านก็ต้องรีบสละก่อนอย่างนี้เป็นต้นงั้นถ้ายังไม่ออกบวชนะท่านเป็นจักระพัฒก่อนนะครับเจดวันเนะี่ยท่านต้องเป็นจักระพั์ก่อน น, นนะ่นี่ยแล้วก็เป็นจักระพัฒอีกนานเนี่ยถ้าจะเนี่ยแต่พอดีอย่างที่ว่าว่าไว้นั่นแหละถ้าหลายองค์บางองค์ก็เป็นจักระพัฒก่อนด้วยซ้าไปออกบวชแล้วเป็นมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนี่มองเห็นได้ยังว่านี่ไงซับเอกกรณีการสละการให้เนี่ยแต่ต้องให้เป็นนะ ถ้าให้ไม่เป็นมันก็มีโมหะคุมครอบงำขนาดโมหะครอบงำมันยังมีผลเลยจะป่วยเก่าวไปใ ย, ยกับการให้ทานที่ถูกต้องและให้ทานที่เป็นใช่ไหมครับท่านหมหาสนใจไหมเรื่องทานบารมีไม่สนใจเลยฮะอีทัานไม่มีปัญหาเรอกเรื่องทานบารมีกัญหประเด็นมันกลัวว่าแม้มันมีน้อยเลือเกินไอคนต้องการมันเยอะใช่ไหมครับ ไอ้ทราพยนะังมีน้อยเพราะเราบำพึ่งมามาจะเริ่มบำเพนไงถ้าคนที่บำเพญมามากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเออตรงนี้ก็ให้พิจารณาอย่างนี้นะว่านี่งไงว่ามันจะตามเราเหมือนกับเหลือบเหมือนกับแรงวันนั่แหละนั้นถ้าบอกว่าผู้ขอในะเป็นที่เรารักก็ให้เกิดสมณัตเอานี้วิธีะวางใจสมมุตินะเอาและแต่นี่วิธีวางใจมันจะมีคนสามยมพวกหนึ่งคนที่มาขอเราเนี่ยเรารักมาก คือเราชอบคือเราเป็นคนที่เราพอใจเราชอบใจสองคนที่เรามาขอเราเป็นคนที่เราเฉยเฉยสามคนที่มาขอของเราเนี่ยเป็นคนที่เราเกลียดนะครับในสามบุคคลเนี่ยให้บุคคลไหนได้ง่ายที่สุดให้คนไหนได้ง่ายท่ยานอาจารย์โอ้ง่ายมากเลยใช่ไหแล้วคนที่เราเกลียดย่ะให้ไม่ได้เลย ไม่ให้เลยวิไม่ให้เราทําไงต่ออ๋อไม่มอกเลนี่พระวิษณ์ท่านวางใจอย่างนี้ท่านบอกว่าเวลาคนที่มาขอเราเนี่ยเป็นที่รักท่านก็ให้เกิดโสมนัสว่าคนที่เรารักเนี่ยคนที่เรารักมาขอของกับเราแล้วเพราะงั้นก็ทำโสมนัสปลื้มใจให้เป็นไปกับกุศลนะครับไม่ใช่เป็นไปกับโลภะทีนี้ผู้ที่เราขอเนี่ย เออผู้ที่มาขอเราเป็นคนที่เราเฉยเฉยก็ต้องทำสมมนัทให้เกิดอีกเหมือนกันนะทำใจเป็นปีติสมมนัททำสุขสมมนัดให้ตั้งขึ้นว่าผู้ขอนี้ของเราเนี่ยว่างั้นเถอะแม้เป็นคนเฉยเฉยเป็นคนที่เราไม่เคยรู้จักแต่มาขอเราต่อไปก็จะเป็นกัลยาณมิตรของเราจะเป็นที่รักว่างั้นเถอะจะกลายเป็นมิตรด้วยการบริจาคอย่างนี้แท้แต่ถ้าหากว่าผู้ที่ แม้ผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของผู้ที่ขอทั้งหลายด้วยแต่ที่ผู้บุคคลที่มาขอเราเนี่ยเป็นเป็นศัตรูหรือเป็นคู่เวรกับเราเนี่ยก็ให้เกิดสมานนัตกับเราว่าศัตรูของเราเนี่ยเออศัตรูผู้เนี้เมื่อมาขอของกับเราเนี่ยนะเป็นเวรกับเราเนี่ยต่อไปก็จะได้กลายเป็นมิตรที่รักฉะนั้นก็ต้องทําจิตให้เป็นสมานัตว่าเออเนี่ยต่อไปเขาจะได้กลายจากศัตรูมากลายเป็นมิตร ทีนี้ถ้าเราไม่ชอบใครแล้วเขาไม่เคยมาขอเราเลยเราจะทํำยังไงนะครับกลับไปเลยนะท่านอาจารย์นะผมแนะนําจะเป็นพระหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ทีีนะ่ที่เราเกี่ยวข้องไอ้คนคนนี้โอ้ไม่ชอบกันมาหลายสิบปีแล้ว่กันเถอะของที่อาจารย์รักนะท่านอาจารย์รักมากที่สุดเนะี่ยนั่นแหละเอาของสิ่งนั้นหมายตาเลยเป็นของดีได้ของที่ดีที่สุดนี่นะแล้วก็ ท, ทําดีทําท่าเลยไปหาท่านพวกนั้นเลย แต่วางใจให้ดีนะว่าเอาไปให้เขาอาจจะด่าเรากลับมาก็ได้นี่นะหรือเขาอาจจะรับของเราหรืออาจจะบอกให้วางทิ้งตรงไหนก็ได้เนี่ยแต่เราจะทําใจเป็นสมานัทว่าเราจะต้องเราจะต้องเอาไปให้เขาให้ได้เดินไปแล้วก็พูดกับเขาดีๆบอกท่านครับเดี๋ยวผมได้ของดีเลิศประเสริฐเลยเนี่ยแม้พอเขาได้พวกผมคิดถึงท่านเลย มันคิดจริงจริงใช่ไหมคิดจะจัดการไอ้ ก, กิเลสในใจตนเนี่ยแล้วก็ไปให้ถ้าเขารับวันไหนเนี่ยนะไอ้ใจที่เคยผูกเวรกันน่ะมันจะคลายเกลียวตัวลงคลายตัวลงแล้วจะกลายเป็นมิตรทันทีเคยทํำไหมครับนี่ที่ที่พูดเนี่ยผมเคยทํามาแล้วนะผมเคยผมผมผมทํามาแล้วนะแล้วได้ผลจริงๆอย่างที่พุทธยาวล่าวจริงนะฉะนั้นเราต้องมาฝึก ท่านอาจารย์กลัวเสียศักดิ์ศรีหรือคิดว่าไงท้งเมื่อชาวก็ไม่ให้เลยใช่ไหมบางคนบางทีเราอายใช่ไหมล่ะเมื่เราอายเราไม่กล้าอยากจะไปไปให้เขาอะไม่กล้าจะยิ้มให้เขาไม่กล้าที่จะไปคุยกับเขาใช่ไหมล่ะบางทีใจเราก็ไม่ได้ผูกอะไรต่อแต่เรารู้ว่าคนคนนี้ไม่ชอบเราเนี่ยอยากางนั้นเลยต่างคนต่างอยู่เราคิดงั้นใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ไม่ถูก ไม่ถูกเลยนะพิจารณาอย่างเงี้ยงั้นคิดใหม่คิดตามพระพุทธเจ้านะไม่คิดตามผมนะครับคิดตามพระสัมมาสัม พ, พุทธเจ้าที่ท่านบำเพ็ญบารมีอนะ่ะนั่นแหละเอาไปให้เธอและใจที่เราเคยกินแหนงแขงใจอะไรทั้งหลายเหล่าเนี้คลายตัวหมดแล้วครับคลายตัวหมดแล้วแล้วก็จะกลับกลายเป็นมิตรเป็นมิตรที่ดีซึ่งกันและกันแล้วไปม า, าสู่กันตามปกติก็จะเป็นแบบนี้นะทั้งคาะวาทั้งพระเนี่ยทําทําตามที่พุทธเจ้าบอกไว้ แล้วเป็นประโยชน์ขัดเกลาตัวเองด้วยนี่นะขัดเกลารตัวเองด้วยตรงนี้ก็จะกลายเป็นมิตรที่รักด้วยการบริจาคอย่างแน่แท้นะครับแล้วก็ยังกรุณาให้มีเมตตาเป็นเบื้องหน้าให้ปรากฏแล้วพึงให้แม้ในบุคคลที่เป็นกลางและคนคู่เวนเหมือนกับที่เป็นที่รักเนะี่ยวางใจเป็นอย่างนั้นบอกว่าทํำยังไงคนที่เรารักมากเนี่ยนะเราก็ให้แล้วก็ปีติสมณัตไม่มีปัญหาคนที่เป็นคู่เวนนะครับที่มันเคย กิแนแหน่งแข่งใจต่างก็พัฒนาจากคู่เว้นก็กลายเป็นพัฒนาใจเป็นไปกับความรักความปรารถนาดีความเบื่อทอนมีความรักมีความการุณาเกิดขึ้นจริงๆจับจิต จ, จับใจเลยคนที่เฉยเฉยเรามองใครคนคนนี้เฉยเฉยไม่อยู่ในสายตาเราเลยก็พัฒนาพัฒนาให้กลายเป็นความรักความปรารถนาดีแล้วก็สละการให้นี่ก็เรียกพัฒนาใจเป็นไปกับกุศลครับในการสละในการให้เนี่ยพอดีศาสเป็นอย่างเนี้ย ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของท่านในกรณีของทานทานบา ร, รมีเนี่ยนี่ผมยกมาเป็นแต่ละตัวอย่างตัวอย่างนี่นะที่จริงเรื่องเรื่องมันเยอะเดี๋ยวขอยกอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าออการที่จะตัดสู้เนี่ยท่านบอกว่างั้นบอกว่างั้นยีเราเนี่ยท่านคิดอย่างนี้นะพระบรมศา ท, ท่านคิดบอกเราเนี่ยปรารถนาจะตัดสู้ปรารถนาจะขนสัตว์หรือสัตว์ไม่ใช่หรือว่างั้นได้สลากายนี้เพื่ออุปการะแก่สรรพสัตว์และบุญสําเร็จด้วยการบริจาค ก, กายนั้นเนะ่ย ความคล่องเป็นไปในวัตถุในภายนอกของท่านเป็นเหมือนกับช้างนะเนะยเป็นเหมือนกับเช่นการอาบน้ำไม่ช้างเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรให้ค ว, ความคล่องเกิดนะหน้าที่ในไหนว่างั้นก็หมายความบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้หลังจากท่านฝึกสละวัตถุภายนอกได้หมดแล้วนะวิธีการสละภายในของบริษัทนะครับท่านบอกว่าไป็ความติดคล่องในกายเนี่ยทั้งทั้งที่กายเนี่ยมีสะไม่มีสาร ะ, ะใช่ไหมแต่สัตว์ทั้งหลายในยติดคล่องในกายนี้เหมือนอะไรครับ เหมือนอาบน้ําให้ช้างออท่านอาจารย์มองออกไหมว่าทําไมเกี่ยวข้องกับการอาบน้ําไม่ช้างช้างเนี่ยชอบอาบน้ําประจํำไหมชอบไม่ชอบชอบช้างก็ชอบอาบน้บบบํ า, ออาสัตว์โลกก็ชอบยินดีในกายติดข้องในกายนี้ว่างั้นเถอะและไม่กล้าไม่อยากจะสละ ก, กายนี้ให้ใครไม่กล้าเพราะจะสละเข้าหน่อยก็หวงว่างั้นเถอะเหมือนช้างนี่แหละ ค่องในกายโดยการถ้าอาบน้ํำไม่ช้างก็ชอบจะจะอาบน้ําสัตว์โลกทั้งหลายก็โอ้โหไม่อยากฮนะแม้ผมสักเส้นหนึ่งก็ยังไม่กล้าจะหยิบให้ใครใช่ไหมถ้ามันล่วงเองนี่ไม่เอาแล้วฟันเนี่ยฟันซักซี่หนึ่งเนี่ยโอ้โหเราหวงมากแต่อย่าให้หลุดนะหลุดออกมาแล้วไม่อยากได้กลับคืนแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นของในในร่างกายของเราเนี่ยอ้โหหวงมากแต่ถ้าหลุดออกมาเมื่อไรแล้วยังอยากได้ไหม พอภัยสเเลสเนี่ยสเเลสที่อยู่ในปากในลิ้นในในร่างกายของตอนเราเนี่ยใช่ไหมครับถ้ามันไหลออกมาแล้วไม่อยากจะกลืนกลับเข้าไปคิดนนมันติดข้องเฉพาะที่อยู่ในกายเท่านั้นแหละพอมันหลุดออกจากกายนิดเดียวไม่เอาแล้วว่างั้นจริงไม่จริงนี่เป็นแบบเนี้ยนะแต่มนุษย์ก็ชอบตกชอบแต่งชอบอะไรกันเนะพราะรักในกายานั่นแหละว่างั้นพอเป็นในลักษณะอย่างนี้ท่านก็ท่านไม่ควรให้ความติดข้องเกิดในที่ไหนไหน ท่านให้ทำยงไงเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เป็นยานะครับต้นไม้ใหญ่ที่เป็นยาใครต้องการรากก็เอารากไปใครต้องการเปลือกเอาเปลือกไปใครต้องการกิ่งเอากิ่งไปใครต้องการใบเอาใบไปใครต้องการเอาํำต้นเอาํำต้นไปใครต้องการดอกเอาไปหวางงั้นเถอะหวังงั้นนะใครต้องการลำต้นคาคบกิ่งใบดอกก็ย่อมนำไปผู้ต้องการผลก็ผลไป ต้นไม้นั้นไม่ได้เรียกร้องความวิตกบอกว่าคนพวกนี้เอาของฉันไปฉันใดนะว่างั้นเห็นไหมให้พิจารณาประดุดดังพระบริศัสดาท่านมองว่าเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาเอิ้นเป็นประโยชน์แก่คนอื่นถ้าใครมาขอในกายก็จะให้กายอะ่ะอันนี้ไหมท่านสมาทานไว้ว่าเหมือนต้นไม้เราจะทําใจของเราเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาต้นไม้ไม่เคยไปร้องร้องไห้นะใครมาตัดรากไปเนี่ย ใครมาเอากิ่งไรเอาคาคบไปเอาเปลือกไปเอาแก่นไปเอาผลไปเอาใบไปเอาดอกไปเนี่ยว่างั้นเถอะเอาไปแล้วเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเอาไปเถอะใช่ไหมดังนั้นอย่าแปลกใจว่าทําไมท่านจึงบริจาคเนื้อได้ทําไมท่านถึงบริจาคหัวใจได้ทําไมท่านบริจาคตาได้เพราะท่านมองว่าเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาครับเหมือนต้นไม้ที่เป็นยาคิดยากไหม ท่านมหาวิยาคิดยากไหมคิดอย่างพริสัตว์จะคิดยากไม่ยากยากไหมพระโพธิษัทท่านคิดอย่างเงี้ยท่านคิดได้แต่เราคิดอย่างท่านได้ไหมเห็นไหมแต่เนี้ยตรงเนี้จะได้เห็นอะไรรู้ไหมจะได้เห็นกว่าจกได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นกว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านต้องคิดแบบเนี้ยท่านต้องคิดมีกรณีอย่างเงี้ย ฉะนั้นถ้าไม่คิดอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้จะไม่ได้มาเลยสัมมาสัมปวิยานมุขที่บอกเป็นเรื่องยากคนที่จะคิดว่าประดุดร่างกายตนเองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูกไตหัวใจตับเนี่ยปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยทั้งหลายเหล่านี้ยอวัยวะทุกชิ้นในร่างกายเนี่ยเป็นยาอัตภาพของข้าพเจ้าของตนเองเป็นต้นไม้ที่เป็นยาฉะนั้นใครต้องการรากเอารากไปใครต้องการแก่นเอาแป้นแก่นไปใครต้องการเปลือกเอต้องการใบต้องการกิ่งต้องการผล ก็จงเอามาไปเอาไปได้ตามตามความปรารถนาว่างั้นเถอะตามความปรารถนาเออถ้ามามองอย่างนี้ก็เออเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ที่วางใจไม่ง่ายใช่ไหมแต่เนี่ยวิธีคิดที่ท่านคิดคิดไปคิดมาเนี้ยเนี่ยนี่การบําเพ็ญทานบารมีของบริษัทแล้วท่านบอกว่า เมื่อกายนี้ไม่สะอาดเป็นนิดออกายเนี่ยมันจะผลิตของเสียออกเป็นนิดถามว่าทุกนาทีไม่ร่างกายมันผลิตของเสียออกตลอดนั้นมันจึงไ ม, ไม่สะอาดเป็นนิดมันจะมีของไม่สะอาดไหลซึมอยู่ตลอดเวลาเพราะในกายเนี่ยมันมันมีรูขุมขนเน่ฉะนั้นมันก็จะมันก็จะขับของเสียออกตลอดนะครับไม่ใช่ขับออกทางตาทางหูทางจมูก แล้วก็ทางปากตัวานหนักทวานเบาอย่างเดียวนะครับแม้ทางรูขุมขนทั้งหมดเนี่ยของเสียมันก็จะเป็นไหลเยิ้มออกอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับเนี้อกายมันไม่สะอาดเป็นนิดอยู่นี้แหละไม่รู้จักคุณมันไม่รู้จักคุณอ่าทําไมต้งบอกกายนี้ไม่รู้จักคนท่านมหาฯรู้ไหมเราดูแลมันดีไหมครับดูแลเช้าดูแลกลางวันดูแลตอนเย็นแต่กายนี้มันเคย มันเคยรู้จักคุณไหมที่เราประคบผงมขนาดเนี้ยทําไมมันให้มันให้ชลาภัยกับเราล่ะมันทําไมให้พยาธิภัยกับเราล่ะจริงไห้โยโน่แล้วมันทําไมให้ความตายแก่เราทั้งทั้งที่ทั้งนวดฟันตั้งดูแลขนาดเนี้ทําไมมันเอาไม่อยู่ถ้ามันรู้จักคุณมันก็ต้องตอบแทนคุณเราที่เราจะไม่แก่ไม่ตายสินี่ไงเขาเรียกกายเนี่ยมันมีของไม่สะอาดไหลอยู่เป็นนิด แล้วไม่รู้จักคนด้วยต่อให้ทําดีกับเขาอย่างไงเขาก็ทรยศนะ่ะนี่เป็นอย่างนี้เพราะบริษัทก็ตําหนิกายเนี่ยโดยประกาศละต่างๆแบบเนี้จอมอยู่ในทุกข์ใหญ่จอมอยู่ในชาติทุกข์คือความเกิดพญาทีทุกข์คือความแก่พญาเออพญาทีทุกคือความเจ็บไข้ชรลาทุกขก็คือความต่ความแก่มรณะทุกความตายมันจอมอยู่ในทุกใหญ่จอมอยู่ในห่วงมันแตทุก อันเราพูดถึงความข้นขวายเพื่อประโยชน์แกสัตว์โลกเนี่ยประกอบการเพื่ออุปการรักแสัตว์เราอื่นเนี่ยไม่ควรให้มิจฉาวิตกแม้เล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นว่างั้นไม่ควรให้กามวิตกเกิดขึ้นในกายนี้ไม่ควรไปติดข้องในกายนี้และไม่ควรพยาบาทวิตกก็หมายความว่าเออไปเที่ยวตําหนิกายของบุคคลอื่นหรือรังเกียจกายของคนอื่ น, ห ร, น, นหรือไปโกรธกายของคนอื่นเนี่ยหรือวิหิงสาวิตกไปคิดเบียดเบียนว่างั้น ไม่ควรให้มิจฉาวิตตความคิดลามกทั้งหลายเกิดขึ้นไว้ว่างั้นหรือความพิเศษในทําเครื่องทําลายความกระจัดกระจายแล้วก็กําจัดโดยส่วนเดียวเขาบอกว่าแท้จริงก็คือดินน้ําไบลมอ่ะกายเนี่ยมีอะไรเราธาตุดินใช่ไหมผมกขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไตใหญ่ไต้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองธาตุดินใช่ไหมดีสนสเลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้าําตราเปลวมันน้ําลายน้ํามูดเป็นต้นนี่ธาตุน้ํา ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนลมที่พัดลงเบื้องต่ําลมในช่องท้องลมในลใําไส้ลมที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าออกที่ธาตุลมไฟที่ยังกายอบอุ่นไฟที่ยังกายสุดโรงไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่มาทําให้ร่างกายแปรปวนถึงขนาดเจ็บป่วยไขย้จนถึงตายไปต้นก็คือธาตุไฟยินดีอะไรกับดินน้ําไฟลมเข้าใจยังเนี่ยมองท่านมองเห็นเป็นธาตุไปแล้ว ฉะนั้นกรณีการการคิดบริจาคกายนะั้นจริงเป็นเรื่องง่ายของบริษัทเพราะท่านวิจัยตรงนี้แหละวิจัยตามความเป็นจริงตรงนี้แหละท่านก็จะไม่ยึดถือว่านี่เรานี่ของเราเป็นต้นดงนั้นผู้ที่ไม่คํานึงในมือในเท้าในตาเป็นต้นและในเนื้อเป็นต้นแม้ในกายเนะี่ยดูดสิ่งภายนอกพึงมีใจสละว่าผู้มีความต้องการสิ่งนั้นนั้นจงนําไปเถิดท่านก็บอกเอาละท่านวิจัยครบกระบวนการและตั้งแต่เบื้องต่ําเบื้องสูงเบื้องกลาง วิจัยขึ้นลงทั้งอนุโลมปฏติโลมเบเสร็จเอาแล้วท่านก็ บ, บอกว่าใครต้องการตรงไหนเอาไปอันนี้แปลว่าวิจัยภายในเรียบร้อยบเบสเ็จเออทำให้เห็นใจของภวิาทียังว่าจิตใจท่านยิ่งใหญ่จริงๆครับอันนี้พูดเรื่องทานนบารมีนะครับเออตรงนี้ก็เดี๋ยงั้นก็พักกันก่อนสิบห้านาทีเดี๋ยวตอน กลับมาแล้วได้ถามปัญหากันด้วยเลยด้วยแล้วก็จะขึ้นศีลสรุป